แล้วก็ขอมโนธนาครับพวกเราเนี่ยอุตส่าห์เดินทางกันลอนแลมกันมาไกลเนี่ยจากกรุงเทพบ้างลบบุรีบ้างต้องการอยากจะมาสนทนาธรรมะ ก, กับพระก็มีเมื่อมาหาพระเนี่ยก็มีลักษณะที่ว่าพระเนี่ยเวลามาหาพระเนี่ยก็มีปฏิสันถานสองอย่างหนึ่ง อมิสซปฏิสันถานปฏิสันฐานโดยอมิตรก็คือที่อยู่อาศัยบ้างอาหารการบริโภคเนื่องอมิสแต่หลักจริงๆที่พระเจ้าทรงอนุญาตไว้ก็คือธรรมมาปฏิสันฐานปฏิสันฐานกันโดยธรรมคือต้อนรับรับกันโด้วยธรรม <c oughs> หลักการก็คืออย่างนี้ใช่ไหมฉะนั้นถ้าพระเนี่ยขาดปฏิสันฐานเนี่ยพระก็ผิดด้วนยะนั้นพระต้องมีปฏิสันฐานก็คื อ, ต, อต้องต้อนรับทีนี้ ในสมัยครังพุทธกาลก็มีการต้อนรับกันเนี่ยมายกตัวอย่างเรื่องการปฏิสันฐานโดยธรรมะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระยโสชะพร้อมด้วยบริวารเนี่ยห้าร้อยรูปพร้อมด้วยสัตว์ทวิหาริกก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าใช่ไหมขณะที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่นยานพยโสชะพร้อมด้วยบริวารเนี่ยท่านเป็นพระที่ท่านเป็นคือประวัติของท่านจริงๆอ่ะอดีตของท่านท่านเป็นชาวประมง ยอมก็รู้ว่าคนที่มีอาชีพประมงเนี่ยเป็นคนชอบเสียงดังหรือเสียงเบาก็าคุยกันเสียงเบาหรือเสียงดังไม่เลยเพราะว่าเขาสต้องเสียงดังเพราะคาลคื่นแมลงคนใหญ่ไงตะโกนกันโวกวิกไว้ๆอัธยาศัยก็จะหยาบๆหน่อยจะเป็นลักษณะแบบนั้นแหละในวันนั้นก็ไปที่ไปเฝ้าพระเจ้ากันเนี่ยไปมืดแล้วก็เสียงลงแรงลงเรงกันใหญ่ เก็พอไปกันถึห้ารอรูปใช่ไหมนั้นที่อยู่ของอาจารย์อยู่ตรงไหนกุฏินั้นเป็นยังไงกดวางยังไงก็โอ้โหคุยกันลงเลงลงเลงพระเจ้าก็บอกดูก่อนนะนนบอกว่าเออเนี่ยเสียงใครมาอย่างกับชาวพะพงมหาป่าคือพระเจ้ารู้แล้วเนี่ยเนี่ยเออเสียงเอ็ดอโวยวายกันเลยว่าเสียงลงเลงลงเลงล้างจานกันว่างตะโกนคุยกันบ้า เสียงลองเล้งลงเลงเลยไหมเนี่ยเสียงดังวัน้นเอเหมือนชาวประมงหาปลาบอกว่าพุทธเจ้าก็บอกให้ท่านพานนทไปตามพระห้าร้อยรูปพระเรานี้พอมาถึงเสร็จปุบ๊บพุทธเจ้าก็ตำหนิแรงๆบอกว่าสัมมนาเชื่อสายสากยบุตรพุทธชิโนโรสควรอยู่กันด้วยความสงบใช่ไหม กายต้องสงัดวาจาต้องสงัดจิตต้องสงัดกายต้องสงัดจากบาปวาจาก็ต้องสงัดจากบาปทางวจีทุจริตใจก็ต้องสงัดจากบาปอกุศลก็คือต้องสงบต้องเป็นไปกับเมตตากรุณาเงี้เป็นต้นใช่ไหมก็ตําหนิออกไปเราไม่ต้อนรับโอ้ยพระเหล่านั้นก็พากันเก็บบาปเก็บไรก็ปะทักศีลโรหพระเจ้าแล้วก็ไหว้ในทศทั้งสี่ก็ไปกลับ พอไปได้สักพักหนึ่งพอไปได้สักระยะทางประมาณสักสิบหกกิโลเมตรท่านก็ถูกให้พระถัดที่วิหาริกปูอาสนะแล้วก็ตังกรดทำอะไรหลายอยางแล้วก็เรียกประชุมบอกว่าท่านทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระบระมศาสดาทรงอนุคอ์พวกเราพระบระมศาสดาเนี่ยเป็นผู้ที่ตัดรู้เองได้โดยชอบได้ด้วยตนเอง เป็นผู้ถึงพร้อมได้วิชา8ดจารณ15เป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารทีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมฤทธิ์ทั้งหลายพุทธิย่าเป็นผู้รู้อริยสัจเป็นผู้ตื่นจากความหลับไหลด้วยความประมาทเป็นผู้เป็นอิเบิกบานได้อิสระเสรีภาพแล้วพระองค์มีมหากรุณาที่คนกับพวกเราอย่างยิ่งพระองค์ทรงอนุเคราะห์พวกเรา ฉะนั้นพวกเราจงอย่าประมาทจงเร่งขนขวายกันในการที่จะประพฤติปฏิบัติให้เต็มที่นะโอ้ยพาเรานั้นพากันขวนขวายในพรรษากัน น, นั้นน่ยพากันศึกษาฝึกฝนประพฤติปฏิบัติอย่างอุกฤษเลยทํากันอย่างติดต่อและต่อเนื่องที่สุดจริงๆไงพอออกพรรษาได้บรรลุเป็นพรันฐานกันหมดเลยทีนี้เอาละสิตอเนี้พระพุทธเจ้ารู้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จ แต่เ ด, เดินทางมาเลยพอมาไปเสร็จปุ๊บท่านพญาโสช้าที่บรรลุปเป็นพระอรหันต์แล้วบอกพระบรมศา ส, ศาสดาสเสด็จมาเดี๋ยวเราจะต้อนรับพระพุทธเจ้า <c oughs> ต้อนรับโดยธรรมปฏิสันถานพระพุทธเจ้าก็รู้กันเข้าใจไหมบุคคลเขาสื่อกันทางจิตเล ย, เยไม่ได้สื่อทางคําพูดกันแล้วพอมาถึงที่ปุ๊บต่างฝ่ายต่างก็พระเหล่านั้นก็เข้า อนเนนชาสมาบัติชั้นสูงเข้าพละสมาบัติต้อนรับพระเจ้าพระเจ้าเสด็จมาถึงพระเจ้าก็นั่งอาสนะที่พระเหล่านั้นปูราถถวายไว้พระองค์ประเสด็จประทับนั่งก็เข้าสมาบัติอยู่ได้สมาบัติจากนั้นตั้งแต่หกโมงเย็นนะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปหกโมงเย็นหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามสี่ทุ่มพานอนก็ไม่รู้พานอนก็ ลุกขึ้นอรลาตนาข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญบัดนี้ท่านพยาโศชาพร้อมด้วยบริวารห้าร้อยนั่งอยู่ขอพระเจ้าโปรดทรงอนุเคราะห์สแสดงธรงรมเถอดเลยเงียบไม่มีใครขวัญขานรับพระนนก็ต้องอนั่งปฏิบัติตามไปอีกจากสี่ทุ่มต่อไปปึด๊ดปื๊ดปื๊ดป๊ดป๊ดตีสองพระนนก็น ล, กลุกขึ้นอีกอาัาตนาเป็นครั้งที่สอง ให้พระเจ้าแสดงธรรมก็ยังไม่ออกจากสมาบัติพระเจ้าก็ต่ออีกสรุปแล้วนะสิบสองชั่วโมงเข้าสมาบัติพอรุ่งขึ้นชาพุทธเจ้าก็ออกจากสมาบัติพระเจ้าก็แสดงธรรมก็เลยเล่าความจริงให้พระอนุนว่าตอนนี้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านกําลังปฏิสันถารโดยธรรมต้อนรับกันโดยธรรมา พอกเราเอาเง้นไปให้ท่านไหนนั่งสมาธิปุ๊บพวกเราก็เอ้าแล้วพระท่านตงใส่ต้ อ, ตอนรับเราโดยธรรมะเลยเดี๋ยวเราก็จะนั่งสมาธิด้วยฟง <c oughs> กันเป็นแถว <c oughs> พอนั่งเสร็จเราก็คิดถึงว่าบ้านบังรถบางทรัพย์บางแลไรโอ้ยไปใหญ่เลยมั่วเลยใช่ไหมสรุปคือตรงนี้ที่จะพูดให้ฟังในวันนี้ก็คือพูดในเรื่องของสมาธิสมาธิในพระศาสนาเนี่ย ต้องขับเน้นลงด้วยว่าตัวสัมมาสมาธิอย่าพูดคําว่าสมาธิเฉยๆเพราะคําว่าสมาธิเ น, นี่ยนันแปลวความตั้งมันง่นแห่งจิตหรือความตั้งมันง่นแห่งจิตเนี่ยภาวะที่จิตแน่วแน่เนี่ยต่อสิ่งที่กําหนดเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้ตั้งมั่นผิดก็ได้เป็นสัมมาสมาธิก็ได้ฉะนั้นในพระศาสนานี้ห้ามใช้คําว่าสมาธิเฉยๆเพราะในมรรคอริยมรรคมีองค์แปดนั้นนั้นจะมีคําว่าสัมมาสมาธิ ทีนี้ในบรรดาสัมมาสมาธิในสมาธิเน yeah. yeah. right ี่ยองของสัมมาสมาธิเน uh uh uh> uh uh uh> ี่ยเป็นองค์ที่แปดในองค์มรรคจะให้สัมมาทิฐิความเห็นถูกถูกต้องเห็นในเรียสัตสเป็นองค์ที่หนึ่งใช่ไหมสัมมาสังกปะความดําริที่ถูกต้องดําริออกจากอกุศลวิตกสามเนี่ยเป็นองค์ที่สองสัมมาวาจาการกล่าววาจาที่ถูกต้องเนี่ยเป็นองค์ที่สามเว้นจากวจีทุจริตสี สัมมากรรมตาการการะทําที่ถูกต้องนี่ก็คือเว้นจากการยโุจริศสามนี่เป็นองค์ที่4สัมมาอาชีวะนี่การเลี้ยงขีพที่ถูกต้องเว้นจากการยโุจริศสามวิจิตจริศสสมัมมาวายามะเพียนก็เพียนในสมรประธานสี่เห็นไหมเพียนก็ต้องเพียนถูกต้องด้วยห้ามเพียนผิดพรอมเพียนผิดก็ได้เพียนผิดเขาเรียกมิจฉาวายามะสัมมาสติระลึกถูกต้องก็คือระลึกในสติประธานทั้งสี่ ในกายเวทนาจิตและธรรมะสัมมาสมาธิความตั้งมั่นถูกต้องก็คือตั้งมั่นในฌานทั้งสี่โดยมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมายมัตสัมมาสติโดยมีแปดองค์นั่นเป็นบริขารคอยแวดล้อมป้องกันไม่ให้สมาธินั้นหลงทิศทางใช่ไหมล่ะเนีหลักการปฏิบัติมันต้องชัดห้ามห้ามมืน เฮ้ยไปเจริญสมาธิก็ยังไหรือครูสมาธิอะไรต้องระวังแบไปไประหมายสมาธิาแปบลบความตั้งมั่นเนี่ยความตั้งมั่นของจิตหรือภาวะที่จิตมีแ น, แน่วแน่ต่อสิ่งที่กําหนดถ้าจํากัดความหมายของสมาธิก็คือจิตตัดเสตกกะคตาเคยได้ยินคํานี้ไหมเขาใช้คาว่าจิตตัดเสกกะคตาเรียกสั้นๆก็เรียกเอกคตาซึ่งแปลว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์ เป็นหนึ่งคือการที่จิตเนี่ยกำหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านหรือไม่สั้นไปลักษณะแบบนี้ท่านในคำพีร์รุ่นหลังๆเขาจะใช้คําว่าสมาธิคือภาวะที่มีอารมณ์หนึ่งเดียวของกุศลจิตเนี่ยชัดลงไปเพราะอกุศลจิตก็หนึ่งเดียวได้ใช่ไหมเช่นเช่นอย่างหมอนวดเนี่ย มีมีจิตตั้งมั่นในการที่จะผ่ากบกรีดท้องกบอ่ะนี่ก็เป็นหมอเคยผ่ากบมาคากบเลนี่เพชฌาตใช่ไหมนั่นแหละต้องมีสมาธิไหมในก็ตั้งจิตจดจ่อใช้มีดกรีดหน้าท้องกบฟึดฟึดอันนี้เขาเรียกเอกกาตาไหมนั่นแหละเอกกาตาเป็นสมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิ นี่เห็นไหมเนี่ยภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวนี่อกุศลใช่ไหมใช่ไหมล่ะบางทีก็โอ้โหยย่อนเบ็ดปุ๊บลงน้ำแล้วก็มองไอ้ทุนมันสมาธิตั้งมั่นคอยดูจดจ่อไม่ไปทางไหนเลยลืมเวลาหิวข้าวเลยจดจ่อเคยไหมเคยไม่เคยนั่นแหละเป็นสมาสมาธิหรือมิฉาสมาธินี่เขาห้ามแบบนั้นภาวะแบบนี้เนี่ย หรือตั้งใจที่จะเอามีดหรืออุปกรณ์ใดๆที่จะฟาดลงไปในตัวสัตว์เรต้องจดจำตั้งมั่นในการที่จะฆ่าสัตว์เวลาจะลักทรัพย์ตั้งมั่นได้ไหมโอ้โหมีคนคนหนึ่งนะมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาทํางานอยู่ในห้างแล้วก็ก็ไปซ่อนตัวอยู่ข้างบนพอหลอสี่ทุ่มไปแล้วเนะี่ก็ซ่อนตัวอยู่ทั้งวันเลยแอรไปอยู่ เขาต้องตั้งมั่นจิตจดจอยจะรักซับนี่มิจฉาสมาธิใช่ไหมอ้าวประพฤติผิดในกามอ่ะเป็นมิฉาสมาธิไหมต้องมีสมาธิไหมต้องมีใช่ไหมจดจ่อคิดแล้วคิดอีกจะต้องละลึกจะพูดยังไงให้คนโกหกให้มันได้ผลนะจิตต้องจดจ่อแล้วจดจ่ออีกในเรื่องที่จะพูดใช่ไหมยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้น ถึงบอกว่าภาวะสมาธิคือภาวะที่มีอารมณ์หนึ่งเดียวของกุศลและจิตต้องจิตที่เป็นกุศลและต้องเป็นสัมมาสมาธิคำว่าสัมมาสมาธิก็แปลว่ามีสัมมาทิฐิเป็นตัวนำสัมมาสังกัปะสัมมาวจจาสัมมากรรมตะตาสัมมาชีวสัมมาวาติสัมมาสติแวดล้อมมีตัวองค์มรรคเจ็ดแวดล้อม แล้วมีตัวสัมมาทิฏฐินำทางนำตัวสัมมาสมาธิให้ดำเนินไปตามมัชจิมาปฏิบทามันถึงจะไม่หลงนะฮะสัมาสมาธิเนี่ยถ้าอย่างนั้นถ้าสมาธิถ้าอยงนั้นหลงทิศหลงทางโอ้มันไปเรื่องฤทธิ์เรื่องอำนาจเรื่องโอ้โหไปอะไรใหญ่โตเหมือนจะเห็นสูงเห็นแสงเห็นอะไรไปทั่วมั่วหมดเลยตอนนี้นะักเขานะัเขาอยากจะมีฤทธิ์มีเดชไปแล้วหลงทิศหลงทางขายความลงไปก็คือการดำรงจิตและเจตสิกไว้ในลมหนึ่งเดียวอย่างเรียบ สม่ำเสมอแล้วก็ด้วยดีเรียบสม่ำเสมอแล้วก็ด้วยดีคำว่าสมาธิในที่นี้ไม่ใช่ว่าเวลาจิตตั้งมั่นในรมเดียวปุ๊บจิตมันก็ค้างอยู่ไม่ใช่นะคนไปเข้าใจกันอย่างนั้นนะนึกว่าจิตมันค้างอยู่ค้างก็ไม่เกิดไม่ดับหรล็อกเป่าอยู่ยงั้นเป็นอย่างนั้นมหมไม่ใช่เลยเวลาเราจุดเทียนในในถ้ในที่มืดไม่มีลม ถามว่าไฟก็ติดอยู่แล้วไอ้ไฟไอ้ตัวไฟที่มันลุกขึ้นเนี่ยแสงเทียนเนี่ยมันก็สม่ำเสมอเพราอไม่มีลมพัด ต, ตอ้งองนิ่งไหมมันจะนิ่งและในขณะเดียวกันเนี่ยไฟมันก็ไม่ไส้ลงมาเรื่อยไหมเรื่อยเนื้อการสภาพของจิตก็เกิดดับสืบต่อแต่ล็อกเป้าอยู่ที่อารมณ์เดียวไม่ย้ายอารมณ์ไอ้กรณีลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าสมารถ จิตอยู่ในสิ่งที่ต้องการได้ตามที่ต้องการจิตกำหนดอยู่ได้ตามที่ต้องการกตามที่ต้องกา ร, าการคือว่าเราอยากจะอยู่ได้อยู่กับอารมณ์เนี้ยเท่าไหร่ก็สามารถอยู่ได้ตามที่ต้องการตามที่กาหนดทีนี้ประเด็นก็คือว่าคนบางคนเนี่ยเวลาจะเรียนรู้เรื่องฝึกสมาธิต้องรู้ด้วยว่าอะไร เป็นปัจจัยเกื้อนหนุนทำให้สมาธิเกิดได้ดีที่สุดก็ต้องสติใช่ไหมบางคนแยกไม่ออกนะระหว่างสติกับสมาธินี่เอาแยกออกไปแล้วไปเรียนสมาธิครูสมาธิมาแล้วร ะ, ะลึกยังไงเรียกว่าสติที่ว่าระลึกรู้สติเนี่ยก็แปลว่าระลึก นะระลึกระลึกแปลเว็นไทยเขาเรียกนึกภาษาไทยเราเียกว่านึกอาจจะพูดเห็จมา ก, กันะก็เรียกว่าดึงตรึงจับนี่เัียกหนี้ยนิสตีนะทีนี้ดึงเนี่ยมีสองดึงเนาะดึงไว้กับดึงมาดึงมากับดึงไว้พูดเห็จเป็นรูปธรรมหน่อยนะจะได้พูดึงมาเนี่ยอาทําไงดีล่ะ ของที่มันผ่านมาแล้วมันไปไปอยู่ที่ไหนเรื่องราวที่เคยทำมาแล้วผ่านมาแล้วเคยพูดมาแล้วเคยกิจกรรมทั้งหลายที่เคยทำมาทั้งหมดอินเดียเคยไปมาแล้วอย่างนั้นยืดเป็นอดีตนี่ยังถ้าเราจักเอาอารมณ์นั้นมาปรากฏเฉพาะความรู้สึกในขณะ น, นี้ต้องใช่ยังไงดึงมาเฮยไปดึงเรื่องราวในเดียบดึงมาดึงมาดึงมาอยู่ที่ไหนดึงมาให้จิตได้รับรู้ใช่ไม้ม ดึงมาให้จิตรับรู้ดึงมาไว้เฉพาะหน้าในขณะนี้อันนั้นก็าเก็ดึงมาทีนี้เรื่องที่ผ่านมายาวๆนานๆทั้งหลายเหล่านี้บางทีเนี่ยมันระลึกไม่ได้นึกไม่ออกเคยเป็นไหมอันนั้นแปลว่าอะไรเขาถึงบอกว่าทีละสัญญาปรทัดฐานาบาลีท่านว่างนั้นสติมีสัญญาที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ นั้นต้องมีความจําที่มั่นคงถึงจะเป็นเหตุใกล้ชิดของสติได้งั้นคนที่ไม่เวลาเรื่องราวอะไรผ่านไปปุ๊บไม่ได้มา r เครื่องหมายไว้ไม่ทําเครื่องหมายเขาไว้มันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วให้ลึกนึกได้ไหมไม่ได้เอาเมื่อวานนี่ยืมตังค์ฉันไปร้อยนี่เรื่องนี้เรลืมมากลืมบ่อย นไอ้ดึงมาเนี่ยแปลว่าไปดึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วดึงมาดึงมาให้จิตได้รับรู้การดึงมาอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการดึงเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดดึงดึงมาอย่างนี้คือสติสองดึงไว้เช่นกรณีที่กำลังฟังอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรสนใจควรใส่ใจควรมนัสิการเราก็ใช้สติในการที่จะ จับดึงอารมณ์ดึงเรื่องราวนี้ไว้ไม่ให้หลุดลอยไปคือให้ความใส่ใจสนใจในเรื่องนี้แล้วก็จับไว้จับอารมณ์นี้ไว้เพื่อไม่ให้อารมณ์นั้นมันหลุดลอยไปรักอะไนี้ก็เรียกดึงไว้เวลาเจริญอาณาบรนสติเราใช้การดึงมาหรือดึงไว้ <c oughs> ลมมันมีอยู่ตลอดไหมเนี่ยเอ <c oughs> ก็เพียงแต่ใช้สติอะมาจับใช้ว่าตรึงดึง จับไว้ก็คือดึงไว้ไม่ให้จิตหลุดลอยไปจากลมหายใจเข้าและลมหายใจออใช่ไหมล่ะเนี่ยเขาเรียกดึงไว้ไม่ให้เผอไม่ฟันเฟือนเลือนหลงนี่ย เ, เรียกดึงไว้เนี่ยลักษณะนี้ก็คือเรียกว่าเอาสติมาพูดให้เป็นรูปธรรมแบบเนี้เพื่อจะเริ่มเข้าใจชัดถ้าคนนี้ปรารถนาอยากจะริยสมาธิถ้าไม่เข้าใจตรงเนี้โอ้โหไปนั่งงงทําไง ทีนี้เวลาดึงใช้สติในการดึงไว้เนี่ยไม่ให้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยไม่ให้จิตนะเผลอเลยเนี่ยหรือหลุดลอยหรือไม่ไปใส่ใจเรื่องอื่นนี่ก็เลยดึงไว้ก็คือลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้รู้สึกว่าขณะนี้หายใจเข้ารู้สึกว่าขณะนี้หายใจออกใช่ไหม การที่สติมันมีความตื่นตัวแต่ถ้าหากทําท่าจะไปดูปุ๊บแล้วมันรู้สึกมันเคริ้มๆแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนั้นแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าตอนนั้นสติมันไม่ไมามันเหลือมีแต่ความตั้งใจมันมีแต่ความตั้งใจที่จะเอาเอาความรู้สึกเออเอาจิตมารับตรงนี้แต่สติไม่มาแล้วพอสติไม่มาสักพักหนึ่งพอจิตนิ่งแป๊บเดียวนะเขับก็จะได้สมใจขึ้นหลับใช่ไหมล่ะ เห็นบ่อยมเออนั่นแหละยังไม่ต้องรู้ก่อนหลับเลยใช่ไหมดีเหมือนกันกลุ่มพวกนี้จะไม่เป็นโรคประสาทคือลงผวังได้ง่ายใช่ไหมคนที่ลงผวังง่ายเนี่ยไม่เป็นโรคประสาทไม่เกร็ง หมอนวดทั้งหลายมาจับดูเนี่ยโอ้คนนี้นี่ไม่มีเกรงเลยเส้นอะไรไม่เกรงเลยเพราะอะไรรู้ไ้ยเพราะภาวังเนี่ยเวลาจิตมันลงสู่ภวังปุ๊บตัวภวังกับจิตก็จะสร้างจิตตระชรูปปรับจิตตระชรูปให้แผ่ปกคลุมกระรากกายให้ได้ดุญยภาพนั้นคนที่หลับลึกดินน้ำไฟลมในร่างกายจึงโอ้โหส เขาเรียกว่าจิตตรชรื้อรคสามันก็คือไม่มีการตื่นเต้นขึ้นขึ้ น, นลงลงเส้นไม่เดี๋ยวตึงเดี๋ยวหย่อนเดี๋ยวตึงเดี๋ยวหย่อนเดี๋ยมันจะเรียบสม่ําเสมอเขาบอกโอ้ยคนนอนคนนอนหลับดีๆเนี่ยไอมันจะเซลล์ในร่างกายมันจะถึงการซ่อมแซมร่างกายตื่นขึ้น่าเฟสเต็มเตียโอ้ย <c oughs> คนก็ก็ไม่รู้โอ๋อหลงพะวังมันดีอย่างนี้ด <c> ี <oughs> แต่เห็นไหม ถ้าถ้ารู้สึกตัวแล้วมาฟุ้งซ่านเดี๋ยวกำหนัดเดี๋ยวขัดเคืองเดี๋ยวลุ่มหลงไปลงผวังยังเร็วน้อยกว่าเยอะแต่พระเจ้าไม่ได้ให้ยินดีในผวังนะเพราะผวังเป็นสัจจะอะไร <c oughs> อ้าวในผวางเนี่ยผวังกัจิตเนี่ยเป็นสัจจะอะไรเป็นทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธาสัจจะหรือเป็นมรรคสัจจะ <c oughs> ทุกแปลว่าอะไร ควรควรทำกิจกับเขาอย่างไงควรอะไรควรรอบรู้ควรกำหนดรู้ควรเอาอะไรไปรู้ควรเอาปัญญาเข้าไปวิจัยแยกแยะฉะนั้นจึงไม่ควรเจริญบางคนโหจะพะวังอยู่เรื่อยเลยนี่ก็เลยทาไม่ใช่ธรรมะที่ควรเจริญเขาใช่ยังแต่เป็นธรรมะที่ควรรอบรู้ควรกำหนดรู้ควรรู้จัก ใช่ไหมล่ะรวังระวังเป็นคน ร, รอบรู้คกนกําหนดรู้แต่บางคนเนี่ยโอ๊ยระวังไม่ควรเจริญอย่างไม่ไม่ดีแ <c oughs> ้่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คนที่นั่งหรือเจริญสมาธิเจริญกรรมฐานทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแล้วเผลอ จิตลงสู่ผวังเนี่ยแปลว่าหลับตกผวังเนี่ยแล้วที่สุดจริงๆเอ็นร่องนี้มันจะลึกร่องลึกและแข็งทื่อก็เคยเป็นอัธยาศัยนั่งไม่ได้ปึก๊กหลับลงทุกทีก็เคยเป็นอย่างนั้นแหละบางคนเนี่ยพอนั่งปุ๊บเนี่ยนั่งเป็นชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมงก็ได้สามชั่วโมงก็ได้ก็ลงผวังทุกครั้งไม่ได้เจริญอะไรเราเจริญผวังกับจิต จะจะไม่เหมือนได้ไงคนหนึ่งตรงคนหนึ่งงงเงีมันก็ไม่เหมือนอยู่แล้วถามอะไรคนนึงตรงคนนึ่งงงเงี้ยก็ไม่เหมือนกันแล้วคืออย่างนี้การหลับแล้วมีการโยกตัวไปมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงการหลับหลับตื่นตื่นเดี๋ยวลงรวังเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวลงรวังก็รู้สึกตัวแต่ถ้าหลับจริงจริงปุ๊บเนี่ยลงรวังปุ๊บไม่มีโงกเลยปึ๊กไปเลย กรนเลยนั่งนั่นนะกรนเลยคลอกครอกเลยขนาดนั้นเลยก็เห็นไม่เล่าคนนั่งหลับได้ขนาดนั้นพอรู้ซีได้เสียงเสียงระฆังกิ้งแป๊บเดียวเองว่าไงเนี่ยยังไม่ทันหายง่วงเลวยังไม่ยังไม่ทันหายง่วงเร็วตีละฆังให้ลุกซะแล้ว เป็นนอนดัดีกว่ามันเคยแล้วมันเคยเดี๋วนี้ไอ้ร่องนี่เวลามันเป็นอย่างนี้ถ้าจะทำเนี่ยง่ายมากจะทำให้จิตมันลงร่องร่องตัวนี้ยง่ายมากเลยชเช่นว่าเวลาจิตมันเริ่มสงบใช่ไหมมันเริ่มสงบถึงที่ว่าอยู่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็คือไม่ให้สติทำหน้าที่ให้สมาธิมันมาเด่นแทน พอสมาธิมันเด่นแทนเด่นแทนไอ้ความรู้สึกเนี่ยความระลึกระลึกตัวในขณะนั้นระลึกในขณะนั้นมันหายไปมันฟั่นเฟือเลือนลงไปสมาธิมันมันใกล้ต่อใกล้ต่อไอ้ตัวโกสัจฉะความเกียจค้านอยู่แล้วมันใกล้ต่อไอ้ผวังอยู่แล้วพอเป็นสมา i, ธิเบียเ็จปุ๊บแล้วมันฟุบลงผวังมันเลยลงลึกเลยเพราะมันถูกส่งโดยสมาธิ เมื่อถูกพลังส่งโดยสมาธิมันจึงหลับได้ลึกหลับได้ยาวหลับได้ได้ได้นิ่งมากงั้นถ้าคนมีสมาธิก่อนแล้วก็หลับเนี่ยจึงหลับลึกถ้าคนแบบมีใจฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านนะหลับไม่ดีพวกนี้หลับหตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นตรงนี้ก็คือคนที่ป้องกัน วิธีการป้องกันจะไม่ให้หลับปกติใครหลับเร็วบ้าง อ, อ, นนอันนี้อันนี้อันนี้เริ่มแก้ยากแล้วเดี๋ยว้ล่องลึกแล้วแข็งทื่อคือ คือจริงๆการที่จะหลับเนี่ยมันมีการใส่ใจผิดก่อนการจะใส่ใจให้หลับโดยเราไม่รู้ตัวว่าเราไปมานาสิกาแล้วเราคิดยังไงการคิดยังไงจะหลับรู้ไหมคิดมันรู้สึกว่ามันสงบดียมันคิดรู้สึกว่ามัน อ, อยากจะพักมันคิดว่าอยากจะพักอยากจะนอนอยากจะ เ, เวลาใส่ใจไปในกรณีใส่ใจในความหดหู่ใส่ใจในความหงอยเหงาใส่ใจในความไม่กระตือรือร้นถรามานัสิการไปเรื่อยๆทีเนี่ยลองใส่ใจไปคิดว่าเเอยอนีย่ใส่ใจหงอยเหงาอยากจะพักหดหู่ไม่กระตือรือร้นไม่ไม่ตื่นเต้นไม่ปิติอะไรเนี่ ย, ยใส่ใจลักษณะเนี้ยใส่ใจทําจิตให้มันให้มันหดหู่ให้มันให้มัน ให้มันถดถอยลงใส่ใจในความถดถอยลงถดถอยลงไม่อยากจะทําอะไรไม่อยากจะทําอะไรอยากจะพักแล้วอะไรเงี้ยใส่ใจไปมันเคยมากแบบเนี้ยเราทํามันมากแล้วอยากจะพักอยากจะพักอยากจะพักฟึดแป๊บเดียวแค่นนะั้นแล้วมันก็จะลงพวังหลับไปเลยนั่นเองไหมมันเป็นมนุษย์การแต่ถ้าหากมนุษย์การอีกอย่างสิมนุษย์การที่ว่าเกิดความแกล้งกล้าอาถรรพ์ขึ้นมา เราจะบุกฝา่าเราจะไม่ไม่กระตือรือร้อนไม่ให้ความหมดหู่ท้อถอยมีพลังมีมีกำลังใจมีความเพือเขิมมีความตั้งมัน่นโอ้พอบใส่ใจอย่างนี้พอบมันจะไปตรงกันข้ามเลยพวกนี้จะไปหลบลองดูที่ลองนั่งฟังธรรมะเนี่ยเอออากาศเย็นดีเออไม่อยากฟังอะไรเซ็งเซงเบื่อเบือต้องใส่ใจด้วยเนะี่ยแป๊บเดียวแหละมันจะมันจะหลับสนดี ลองทําดูสิคือคือมันเคยอยู่แล้วใช่ไหมว่าน่าเบื่อใส่ใจแบบเนี้ยน่าเบื่อไม่อยากฟังไม่ใส่ใจพอแล้วฟังอะไรไปเยอะแล้วเครียดกุ๊บอยากจะปิดปิดอะไรบ้างอยากสงบสง บ, บ้างอย่างเงี้ยใส่ใจไปเรื่อยๆเงีย้ยนะ่งเข้านั่เข้ า, า, ขามันจะไม่ฟังแล้วมันก็จะหดหูหดถูดดดดดดดลงนั่งเข้านั่งเข้าก็หลับจริงไหมเห็นไหมทั้งหมดเหล่านี้มันอยู่ที่การใส่ใจแต่ใจให้ทีน้มิถะเกิดก็ได้ ใส่ใจให้วิริยะเกิดก็ได้ใส่ใจให้สมาธิเกิดก็ได้ใส่ใจให้สติเกิดก็ได้ทั้งหมดเหล่านี้มันอยู่ที่วิธีการในการที่เราจะให้อาหารให้อาหารขังกระบวนการความคิดใช่ก็คืออย่างนี้เขาเรียกว่าการให้อาหารหรือเขาเรียกว่าตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตสมาธิทุกระดับปรุงแต่งทั้งนั้น ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆล้วมันจะเกิดเองต้องปรุงแต่งให้มันเกิดไม่ใช่ว่าไม่ในขณะที่เรากําลังดูลมเข้าดูออกนั่นแหละคือการปรุงแต่งการปรุงแต่งเพื่อจะให้มันก็คือตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตเพื่อเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความตั้งมั่นแห่งจิตมันต้องปรุงแต่งแล้วแเราเเหมือนเหมือนยอมจะโกรธแค่สักคนยยอมต้องปรุงแต่งไหมเข้าใจเขาปรุงแต่งไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นยอมต้องคิดความไม่ดีของเขาเยอะๆ สมมติว่าเขาด่าเราแค่คําเดียวเนี่ยมันโกรธได้แป๊บเดียวนะมันต้องมาด่าไอ้นี้มันด่าใครมันไม่รู้จักเรามันด่าเราได้ยังไงมันต้องปรุงให้เยอะๆมันถึงจะโกรธมันจะบอกเออมันด่าเราไม่เห็นมีอะไรเลยมันไม่โกรธนะต้องปรุงแต่งว่าไอ้นี้มันด่าเราแสดงมันในใจมันด่าเรามาเป็นร้อยๆครั้งแล้วแหมไอ้นี้ชั่วจริงๆมันต้องคิดแล้วคิดอีกมันด่าใครไม่ด่ามันด่าเราเรื่องนี้เราจัดต้องจัดการมันเนี่ยถ้าปรุงแต่งอย่างเงี้ยมันถึงจะมันถึงจะเข้มข้น ความโกรธมันถึงจะมันถึงจะปุ๊บปุุ๊๊ขึ้นมาถ้าไม่ปรุงแต่งจบเลยกามาการมาคุณกันเหมือนกันถ้าเราไม่ปรุงแต่งที่เออสวยนะแล้วอะไรต่อไม่มันไม่ขึ้นมันไม่ไม่ไม่ไม่ตั้หาไม่ไม่ไม่ไม่ลุกลามเนี่ยถ้าแค่เนี้ยโอ้ตาสวยนอะแล้วจมูกก็สวยปากก็สวยหน้าผากก็สวยผมก็สวยโอ้สวยหมดปรุงแต่งไปเรื่อยๆไงทั้งๆที่มันไม่สวยหรอกหลอกจิตมันแล้วจิตมันก็เนื่อว่าสวยจริงๆ จิตมันโง่นี่ไม่ได้ฉลาดอะไรใช่ไหมล่ะปูงแต่งอะไรมันก็เอามันก็ไปมั่วหมดเลยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เข้าวถืออุปมาเหมือนอะไรจิตเหมือนเหมือนอะไรเหมือนวัวไอ้เหมือนลูกวัวจิตนี่เหมือนลูกวัวใช่ไหมไอ้ลูกวัวที่มันลูกวัวเดือ้อที่มันดื่มน้นํานมทุกหยดจากแม่โคที่ขี้โกงครั้งก่อนก็พูดเรื่องนี้ใหฟังใช่ไหมคือแม่โคตัวเนี้ยเวลามันคลอดลูกเนี้ย ไอ้ลูกมันตวเนี้ยมันก็กินนมอยู่นั่นแหละมันไม่ยอมหย่านมแล้วก็แม่วัวตัวนี้ก็เป็นแม่วัวที่ขี้โกงมันซ่อนเต้านมได้เก่งเคยเห็นลูกวัวไอ้แม่วัวซ่อนเต้านมไหมคือมันสามารถมันสามารถซ่อนปุ๊บเข้าไปไว้ข้างในได้เลยมันมันม like ันมันมันเหมือนดึงเต้านมมันไปซ่อนก้าไว้ซ่อนเข้าไว้ให้ให้ให้ไม่เห็นหัวนมไอ้ลูกวัวขี้โกงเนี่ยมันมาเห็นแล้ว เพิ่มเพมันดูมันเอาหัวกระทงปบปึ๊งปึ๊บ๊บนมหลุดออกมาว่ากินอยู่แล้วนี่แม่ก็ถีบเชตี้นถีบบ้างเท้าถีบบ้างโดดมันปัดซ้ายปัดขวามันก็โดดดักหน้าดักหลังดักโอ้ยมันมันมันมันได้ดีเอมาจากไอเนี่ยไอแม่วัวขี้โกงตัวเนี้ยมันก็ได้ดีเอมันก็เลยเป็นโรควัวขี้โกงลูกววดื้อมันได้สายพันธุ์แบบนี้มาใช่ไหมจิตของเราก็เหมือนกัน มันเนี่ยได้สายพันธุ์มาจากตันหาอาวิชาอุปาทานสังขารและกรรมในสังสารวัตรมันจึงดับเชื้อดี a ของความดือ้ออย่างมากเลยตัวเนี้ยฉะนั้นมันจึงซัดสายไปตามรูปบางเสียงบางกลิ่นบางรถบางมันไม่อยู่สุกหรอกมันวิ่งไปทั่วมั่วไปหมดเดี๋ยวไปอดีตบางอนาคตบางไปบ้านบางไปรถบางไปซับบางไปลูกบางวิ่งไปหมดใจมันเนี่ยตัวมันอยู่ตรงนี้ใจมันวิ่งกลับบ้านไปเรื่อย มันดือ้อไอ้ลูกวัวตัวเนี้มันดือ้อมันไม่ได้แล้วมันไม่เคยถูกรับการฝึกยังไงล่ะเอาเราเชื่อแต่เนี้ยถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นเจ้าของวัวเลยเออเนี้ยไอ้ลูกวัวตัวเนี้ลูกวัวขี้โกงมันก็ดื่มน้ํานมทุกหยดมาจากแม่วัวที่ขี้โกงนั้นไอ้วัวดือด้อโดยมันก็เลยได้รับดีเออมาจิตของมนุษย์ที่เป็นปุโุชนคนมืดบอด ด้วยตัณหามานาทิฐิมันมีตัณหามานาทิฐิเป็นตัวสร้างมา้มันได้รับเชื้อได้รับดี a มาจากไอ้อกุศลจากจากตัณหาคือความทยานอยากจากอาวิชชาคือความไม่รู้จากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นจากกรรมแล้วก็จากสังขาระคือการปรุงแต่งมันจึงง่ายต่อการที่จะวิ่งแสหาอารมณ์ วิ่งหารูปารมณ์ทัศนารมกันธารมวิ่งหาเรื่องทรับเรื่องบริวารญาติมันจะวิ่งไปทางนี้ชํานาญมากเวลาเราจะดึงจิตหรือเอาจิตเนี้ยจิตที่ดือ้อรั้นอย่างเงี้ยมาฝึกมันจึงค่อนข้างที่พยศมากไอ้รัวดุนพยศเระฉนั้นจิตของพวกเรามันเป็นจิตที่มันติดเชื้อด NA มาจากอากุศลมันจึงง่ายมากจากการที่ว่ามันอยากจะไปดูอยากจะไปเห็นอยากจะไปอะไรมันตลอด ไม่จบไม่สิน้นมองเห็นหรือยังเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้เอาแล้วทีนี้เมื่อเรามาได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปุ๊บเราเริ่มอยากจะฝึกไอ้ลูกวัวขี้โกงตัวเนี้ยไอ้ลูกวัวดื้อตัวเนี้ยต้องการอยากจะพาคพาคลูกวัวตัวเนี้ยออกจากการหย่านมเราก็ต้องจะทำยังไงนี่เหมือนกัน ก็จิตเหมือนกับลูกวัว ข, ขี้โกงตัวเนี้ยวัวดื้อตัวเนี้ยถ้าเราต้องการอยากจะเอาจิตนี้มาฝึกเพื่อไม่ให้มันวิ่งซ่านไปตามสีเสียงกิ่ิรลดผลิตัณฑ์ซึ่งมันคุ้นเคยมากอารมณ์เหล่าเนี้ยมันคุ้นเคยมากๆเช่นเวลาแค่เราจะมาวัดเนี่ยเราต้องนัดกันกี่วันโอ้โหใช่ไหมล่ะลองจะไปห้างสินะก็นี่ไงเห็นไหมมันคุ้นเคยอะไรมากที่สุด แค่จะมาวัดเนี่ยมันรู้สึกว่าประตูก็เปิดเอาหนักกันั้นคือประตูคุกเลยมันเปิดที่ไหนแล้วห้าชั้นหกชั้นมันยังแออัดเต็มไปหมดเลยมันชำนานมากในเรื่องของความไม่ดีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าจะมาทางที่ไม่ดีมันเดี๋ยวขอปรึกษาก่อน <c oughs> ว่าผ่านที่ประชมะุมไตันหาประชุมกันปึดปดปดปดปดแล้วมันก็บอกว่า ไปได้นะแต่กลับห้ามเกินสามงเย็นเนี่ยนี่เออมันขนาดนั้นนะมันไอเนี่ยมันมันประชุมกันอย่างเง้ย น, นะเราก็บอกไอ่ไปปัญญาไปสติกะจ้าให้ไปได้แค่วันศุกร์แล้วต้องรีบกลับนะว่างั้นนะมันบอกมาได้แค่นั้นบอกยิ่งไปอยู่กับพระด้วยแล้วอันตราย เดี๋ยวไปได้ปัญญาขึ้นมามันออกจากขอบเขตของมันขึ้นมายุ่งเลยไม่ได้เดี๋ยวเกิดมันคอนโท o l ไม่อยู่กํากับไม่อยู่ยุ่งเลยเดี๋ยวไปไม่ได้ไม่ได้ไไดก็ต้องคอยโทรมาคอยกากับจะกลับได้ยังอเราก็ไม่กล้าแต่คอก็ย่าเดี๋ยวก็กลับ <laughs> ไม่มีมายุ่งอะไรกับฉันมาก <laughs> ม, มีมันมีแข็งขันอย่างนั้นไม่ก็มีหรอกมองเห็นหรือยังเดี๋ยวตอนนี้ ไอตัวลูกวัวเนี่ยจิตเือนลูกวัวใช่ไหมแปลว่ามันติดเชื้อดีเดมาที่จะมาฝึกทำไงก็ต้องใช้สติสตินี่แหละมัดไอวัวตัวเนี้ยคือจิตเนี่ยเอาไปผูกไว้กับหลักหรือเสาก็คือลมไงในกรรมฐานนี่ก็อารมณ์เนี่ยหรือกรรมฐานอื่นก็ว่าไปผูกไว้กับพุทธคุณก็ได้ทรมคุณก็ได้สงังฆคุณก็ได้ ปูกไว้ในจาคานุสติสีลาอุปสมะอีกเยอะมากกรรมฐานเนี่ยบางคนก็ปูกไว้กับเรื่องหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนี่เป็นอุบายที่หลังแต่จริงๆก็หลักไอตัวเสาจริงๆก็คือลมเขาเรียกอาณาปานาสติอาณาปานะอาณบวกอา า, าคือลมเข้าและลมออกโดยเอาสติไปมัดจิตไว้แล้วก็มาผูกไว้กับหลักคือลมหลักการมีแค่เนี้ย ทีนี้เวลามาผูกกันไว้เนี่ยก็คือว่าสติถูกต้องแย่าให้เชือกมันขาดแย่ให้มันหลุดถ้ามันหลุดก็ผูกใหม่หลุดก็ผูกใหม่หลุดก็ผูกใหม่หลักการมีแค่นเนี้ยอย่าเบื่อหน่ายกลักการผูกอย่าไปหงุดหงิดกับมันแค่นี้แหละมันจะวิ่งไปที่ไหนจับผูกใหม่มัดใหม่มัดผูกอยู่อย่างนั้นแหละให้มันรู้สึกว่าเป็นกรณีศึกษาเรารู้เรารู้ขอบเขตของมันเดี๋ยวมันก็อ่อนแรงไอ้วัว ต, ตัวเนี้ยถ้าสติเราดีเรารู้เราเข้าใจเบีดเสร็จปุ๊บ อย่าไปงดกินมั้ยเดี๋ยวไปเรื่องนั้นนะไม่เป็นไรมัดไว้แล้วก็มาผูกไว้กันหลักเดี๋ยวมันวิ่งไปที่บ้านก็มัดผูกใหม่ผูกใหม่ไม่เห็นเป็นไรเลยมันจะหลุดล้านครั้งก็ผูกล้านครั้งไม่เห็นมีอะไรเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนเข้านวนเข้าเนี่ยไอ้วัวตัวเนี้ยเมื่อมัดไว้อย่างนั้นมันวิ่งไหมวิ่งโดดซ้ายโดดขวาโดดซ้ายโดดขว า, ดดขวามันโดดไป่ แล้วไหนส่วนจริงมันหมดแรงไหมเอ่ใครหมดแรงก่อนก็โวนั่นแหละจิตนั่นแหละนะเขามันเหนื่อยพราะเหนื่อยวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแล้วมันมาวนอยู่มามหมอบอยู่ตรงไหนนั่นแหละหมอบอยู่ที่สาวนี่ก็เหมือนการวิ่งไปวิ่งมาโวไม่ไปแล้วลมอือมันดึงดึงมาเลยโดนดึงมาเลยก็เลยมาอยู่กับลม ทีนี้ทํามาอยู่ที่มันมาหมอบจริงมาหมอบแล้วหลับทําไงใช่ไหมก็กระตุกขึ้นเพราะเราจะเอามันไปฝึกนี่ไอ้นี่มันไม่ได้มันไม่ได้เชื่องจริงหรอกเข้าใจยังมันมันแกล้งมันนอนหมอบอยู่เนี้ยแล้วมันหลับเฉยไม่สนใจเงี้ยเพราะเราคือหลังจากที่มาหมอบแ ล, ล้วต้องมาดูว่ามันมันยอมจริงไหมจิตเนี對對่ย เมื่อมันมั่นคงมันยอมแล้วเราจึงจับเอาวัวนั้นน่ะเอาไปฝึกแอกฝึกไถฝึกอะไรก็ว่าไปอีกทีนึงมันไม่จบอยู่แค่นิ่งเราได้มากว่าโอโพอนิ่งแค่นี้ไปคุยขงมงชงเฉงก็ได้เท่านั้นเทาน่านี้อะไรก็ไม่รู้กิจกรรมยังไม่ได้เสร็จอะไรเลยเพียงแค่เบื้องต้นสุดๆโอ้โหวันนี้นั่งนิ่งแสงสว่างคุยกันขงมงชงเฉงมันจบไหอยังยังเลยเพียงแค่เบื้องต้น เบื้องต้นว่าอ๋อเรารู้สึกว่าทีนี้ลูกวัวเนี่ยเวลาเราเวลาเวลามันเริ่มนิ่งๆแล้วเนี่ยเราเรามือไปลูบหลังมันนมันโดดหนีนะเห็นไหมมันโดดหนีเลยนะมันยังไม่คุ้นมือเราไอ้วัวตัวเนี้ยเพราะเราต้องทํามันจนคุ้นเราเมื่อคุ้นเสร็จแล้วต่อไปเราก็ได้สนสะพายมันใช่ไหมเมื่อสนสะพายไปเสร็จปุ๊บเราก็จูงลูกวัวเข้าไปเอาไปฝึกในการ ทำไถเอ่ย ơi, หวานเอ่ยเข้าแอะเข้าไถเข้าเวียนอะไรก็ว่าไปเถอะจนสามารถเอาไปทําประโยชน์ได้สําเร็จวัตถุประสงค์คือตรงนู้นเน่ยตอนเนี้จิตเมื่อฝึกจนเชื่องจนชํานาญแล้วนักเขาก็ฝึกให้ดําเนินสู่สมาธิแต่ละระดับขณิกะเป็นยังไงอุปจาระเป็นยังไงอัปปนาเป็นยังไงขั้นปฐมฌ า, านทานุติยฌานตัติยฌานจตุติฌานเป็นยังไง ร, รับสิ่งนี้เป็นอารมณ์เอาไปฝึกให้จนชํานาญเบี เ, เร็จแล้ว โอ้โห oh, พอชำนาญไปเสร็จแล้วแต่ี้เอาละเอาไปทำประโยชน์ในการน้อมไปสู่วิปัสสนาหย า, านเอาเลยทีเนี้ยเนี่ยหลักการอีกยาวเลย <c oughs> ของเราเบื้องต้นยังไม่ได้เลยนี่เไา <c oughs> อายุก็มากสมาธิก็แตกซ่า <c> น <oughs> ไม่จะทำยังไง <c oughs> เริ่มได้อย่างยอมพอไหวไหมทันไหมเนี่ย <c oughs> ทันอะไร <c oughs> อ๋อ เห็นไหมจริงๆบางครั้งแค่ฟังให้เข้าใจก็ยากแล้วโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยบอกกันเลยสิบอกบอกไปเสร็จก็ไปนั่งเงยไม่ได้บอกอะไรเลยนะไอแบบนี้เขาห้ามไอไม่รู้แล้วขยันเนี่ยเ <c ười> งี้ไม่รู้เลยสัมมาสมาธิเป็นยังไงมิจฉาสมาธิเป็นยังไงยังวิธีการฝึกเป็นยังไงจิตเป็นอะไรเงี้ยไม่ได้บอกบอกให้ละเอียดบอกให้ชัดไม่ใช่เป็นนั่งแล้วเน่ไม่ไมปลังเลสงสัย ทีนี้นี่พอเริ่มรู้ยังเริ่มรู้รู้ถึงไหนแล้วเนี่ยรู้ถึงไหนแล้วโดยมากเราจะเบื่อใช่ไหมเหตุผลที่เบื่อเพราะอะไรเราไม่เคยคิดว่าเรากำลังจะฝึกลูกวัวจริงๆถ้าคนที่เขาจะไปฝึกจริงๆเขาไม่เคยเบื่อเลยนะเออมันรู้สึกว่าแหมเนี่ยที่มันโดดไปโดดมารู้สึกขำมันบางที บางทีขามันเลยเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่เมดื้อเกินเงี้นสนุกกับมันเลยนะจริงมไหยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไอ้พวกนี้พวกนี้ไม่เหมาะแก่พวกเป็นพวกฝึกวัวถ้าเป็นพวกที่จะฝึกวัวจริงๆอ่ะเขาแปลว่าเขาชํานาญเขารู้รู้ความคิดของวัวรู้ด้วยไอ้วัวตัวนี้มันจะมันแค่ไหนกําลังมันแค่ไหนอย่างไรและเราควรจะกํากับมันแค่ไหนอย่างไรวันนี้เอาแค่ไหนอย่างไร วันนี้ไม่ได้จับมันมัดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อและจะต้องเอามันไปฝึกเข้าแอะเข้าไถให้ได้โอ้มันรู้สึกตื่นเต้นยิ่งเห็นมันโดดมากๆไหมชอบใจมากโอ้โหวัวตัวนี้รู้สึกแข็งแรงดีเนอะ <c oughs> มันรู้สึกอย่างนั้นเลยนะเราจะฝึกอะไรอต้องถามเนี่ยเราจะฝึกอะไรถ้าจะฝึกอาณาปณะต้องหลับตาใช่ไหม ถ้าจะฝึกเรื่องทานกุศลศีลกุศลเนี่ยห้ามหลับตาจะไหมล่ะหรือจะระลึกพระรัตนตรัยอะไรต่างต่างเหล่าเนี้ยมันต้องดูด้วยว่าจะฝึกกรรมฐานบวดไหนด้วยจะไหมล่ะกรรมฐานลืมตาก็มีหลับตาก็มีกรรมฐานเดินก็มียืนก็มีนั่งก็มีนอนก็มีมันมีเยอะแยะหมดเนี่ยยอมเล่นถามแบบเนี้ยงั้นก็งงเลยยอมจะเอาเอากรรมฐานไหนก็ถ้าไม่หลับตาก็มองไปทั่วสิว่าเราต้องการดูลมใช่ไหม การที่ให้สติเรากำกับอยู่กับลมเนี่ยถ้าตาก็ดูก็ไหมมันก็เลยไอ้ทาวารตาก็อยากจะเห็นทาวารหูก็อยากจะฟังทาวารจมูกก็อยากจะดมแล้วจะเอาไงล่ะเพราะกรรมฐานเขาใช้ทาวารไหนทาวารใจมโนท ว, วารอย่างเดียวใช่ไหมละ่ะฉะนั้น ง, ง่ายที่สุดก็หลับมันเธอตาอย่าไปลืมันคือประเด็นก็อย่างนี้ถ้าไม่มีสติเป็นตัวนําำสมาธิมันเกิดไม่ได้ใช่ไหม อาณาปานสติสมาธิทําไมเขาเรียกอย่างเนี้ยอาณาปานสติสมาธิแปลว่าอะไรสติเป็นปัจจัยเกิดสมาธิสติต้องเกิดก่อนสมาธิมาทีหลังสติเนี่ยเป็นตัวดึงตัวตรึงตัวจับใช่ไหมไอ้ความแน่วแน่และตั้งมั่นแนบชิดติดอยู่กับสิ่งที่ดึงตึงจับเนี่ยนี้เป็นสมาธิใช่ไหมล่ะมันต้องให้สติเนี่ยเป็นตัวตัวเหมือนกันไงวัวเนี่ยต้องใช้เชือก ใช่ไหมเชือกมัดใช้อะไรมัตไม่ใช่ใช้สมาธิไปมัตนะใช้สตินี่แหละมัดจิตไว้ไปโผกไว้กับหลักคือเสาก็คือลมนั้นก็ให้สติทํากินไปดึงดึงดึงดึงเต็มที่นั่นแหละในที่สุดจริงๆมันวิ่งไปวิ่งมากรณีที่วัวมันมาหมดเลี่ยวหมดแรงแล้วมันนอนชิดติดอยู่กับหลักหรือติดอยู่กับเสานั่นแหละเขาเรียกว่าสมาธิเชือกไม่ต้องเชือกเนี่ยไม่ค่อยจําเป็นแล้ว เชือกมาอยู่บทบาทไม่เชือกย่อนๆก็ได้ได้ว่าเจ้านี้หมดแรงแต่ว่ามันยังโดดต่อก็จะเชือกยังจาเป็นอยู่เข้าใ่ยังเพราะว่าวัวไอ้ตัวตัววัวเนี่ยจะไม่ใช่ใช้สมาธิเป็นตัวเป็นมัดใช้สติสติเป็นเชือกคือตรงนี้เริ่มเข้าใจคาว่าสติเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะมากใช่ไต่อธรรมทั้งหมดใช่ไหมล่ะ ฉะนั้นถ้าไม่ใช้สติเป็นตัวนําล่องเลยสมาธิมาไม่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะสติเนี่ยเป็นเป็นปัใจจัยให้เกิดสมาธิเขาจึงเรียกอาณาปานสติสมาธิใชมจริงๆถ้าเรียนเรียกให้ครบครบวงจรเขาเป็นเป็นอย่างนีน้เขาต้องเรียกให้เต็มเต็มอัตตาเขาบางทีเราปัจจุบันเราไปเจริญสมาธิ <c oughs> มันไม่ใช่สมาธิตัวเดียวได้ที่ไหนฮะหนึ่งมันจริงๆอะ่ะ อาณาปานาสติสมาธิก็ไม่ใช่เจริญแค่สติกับสมาธิจริงๆต้องมีอีกเยอะเลยใช่ไหมโอ้โหในในที่นั้นต้องมีทั้งผัสสะมีทั้งเวทนามีทั้งสัญญามีทั้งเจตนามีทั้งเอกขาตามีชีวิตีมัสิกันโอ้โหอีกเยอะมากแต่เวลาพูดที่เป็นประธานเป็นหลักๆเขาไว้เท่านั้นเองแต่ธรรมะในกรณีที่จะมาช่วยกันหล่อหล อ, หลอมทาให้สมาธิมีความตั้งมั่น ในการยึดโยองอยู่กับอารมณ์ใดลมณหนึ่งเนี่ยโอ้โหต้องอาศัยปัจจัยมากมายในการช่วยเกื้อนหนุนประคับประคองกันก็เหมือนกันเวลายอมจะมานั่งตรงนี้โอ้โหต้องอาศัยขาเอาขามาด้วยเอาแขนมาด้วยเอาจมูกมาด้วยเอาปากมาด้วยเอาฟันมาด้วยดูเหมือนไม่เกี่ยว น, นนะเนอะใช่ไหมล่ะเอามาทําไมผมเนี่ยทําไมไม่เอาไว้ที่บ้านเงี้ยมันเป็นองค์รวมในปฏิวัติธรรมะเนี่ยมันเป็นองค์รวมเป็นองค์ประกอบไม่ใช่แยกส่วน เวลาตรงเน้นจะเน้นตัวไหนเป็นประการละสําคัญเท่านั้นเองแต่ต้องรู้ต้องรู้องค์ประกอบไหมต้องรู้ถ้าไม่รู้องค์ประกอบแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวได้แล้วมีอะไรเป็นหนึ่งเดียวยังไงเป็นต้นอย่า ง, ไไ น, งนี้นก็ต้องมีความเข้าใจในธรรมะสามัคคีเหล่านั้นที่เป็นองค์ประกอบในการที่จะพัฒนากลุ่มกุศลธรรมตั้งหลๆให้เจริญไปบูรยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ไม่ใช่สมาธิตัวเดียวเริ <c oughs> ่มเห็นไหม ให้ฉันจะพูดไอ้ออกนอกเรื่องนี่ยังเนี่ยยังอยู่ในเรื่องนะแล้วเวลาจะเวลาเวลาจะหัดขับรถเนี่ยต้องรู้จักพวงมาลัยไหมต้องรู้จักคาสเอยเบรกเอยะไรตรงไหนหรือบอกไม่ต้องรู้อะไรเลยเข้าไปนั่งจับแล้วขับไปได้เลยในการดําเนินชีวิตเนี่ยที่จะให้ชีวิตดําเนินไปอย่างถูกต้องดีงามเป็นไปตามมัจจิมาบริเวริมมันต้องรู้ในพระศาสนาเนี่ยท่านไม่ใช่ไม่ให้รู้ท่านให้รู้ ไม่ใช่เพียงรู้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งต้องรู้จนสามารถนำพาชีวิตให้ดำเนินไปโดยไม่ผิดทางได้แต่ถ้าอยู่ใกล้ครูก็ค่อยๆรู้แต่ถ้าอยู่ห่างครูให้รู้ละเอียดแล้วค่อยไปปฏิบัติหลักการมีแค่นี้ถ้าอยู่ใกล้ครูก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆเรื่ๆ <c oughs> ครูต้องเก่ง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ครูที่เราจะไปฝากผีฝากใคร <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม ประเด็นอยู่ตรงนี้เมื่อเช้ายังพูดถึงเรื่องว่าเออทำไมถึงทำไมถึงไม่ทำไมท่านจึงไม่ชอบคนพาลถึงรังเกียจคนพาลเหลือเกินเพราะคนพาลเนี่ยไม่รู้ระเบียบคนพาลเนี่ยไม่รู้วินัยคนทานไม่รู้จกประโยชน์อยู่ใกล้คนพาลอันตรายไงใช่ไหมเห็นความร่วงเกินโดยเป็นความร่วงเกินเมื่อทำความร่วงเกินผู้อื่นแล้วก็ไม่ขอโทษ เคเห็นไหมคนพาลเห็นความร่วงเกินโดยเป็นความร่วงเกินนะเมื่อคนอื่นทําความร่วงเกินนิดๆหน่นนนนนอยๆก็โกรธโอ้คนพาลนี่เอาใจ ย, ยากเลยใช่ไหมล่ะทำท่าพยักหน้าแล้วใครเป็นคนพาลนี่พาลาธรมมารมาองค์ทําได้แก่อกุศนและจิตราคะเกิดขึ้นเมื่อไหรนะ่นั่นแหละก็พาลาธรรมมันเกิดโทสะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นี่ยภาลาธรรมมันเกิด โมหะเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วรพาละธรรมมันเกิดนั้นอย่าคบคนพาลก็คืออย่าคบอกุศลอย่าคบบาปอย่าคบทุจริตอย่าให้บาปอกุศละววละธรรมชั่วร้ายมันเกิดขึ้นในเราถ้าเกิดขึ้นเมื่อไรแปลว่าเรากําลังคบคนพาลเมื่อเราครบคนพาลเราเลยกลายเป็นคนพาลอยู่เลยตร ง, งนี้ประเด็นี้อาวต่นี้ต่อหน่อยใีเรื่องเรื่องสรุปแล้วก็คือว่าสมาธิเออคืออย่างนี้เวลาสติกับสมาธิมันต่างกันยังไง อในขณะที่เราดูระลึกถึงอารมณ์กรรมฐานเนื้อมาเหมือนกับผ้าเหมือนกับผ้าม่านเวลาเรายึดผ้าม่านใช้ตะปูตอกผ้าม่านไว้ที่หน้าต่างทีนี้หน้าต่างมันเปิดอยู่ลมมันก็พัดไหวไหมไหวปุ๊บปุ๊ปุ๊ทีนี้ถ้าผ้าม่านนัน้นมันมีลายละเอียดจะมองเห็นได้ไหมเพราะอะไรเพราะมีลมพัดไหวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม ท, ทั้งที่เราตึงไว้นี่แหละเราจับไว้นี่แหละเห็นไหมมันเหมือนกันกรณีที่ถ้าต้องการอยากจะเห็นรายละเอียดของผ้ารายละเอียดที่ละเอียดยิบเนี่ยเราจะต้องใช้ตะปู ต, ตอกให้ตึงเป๊ะหมดเลยการตอกให้ตึงเป๊ะหมดเลยเนี่ยนะเป็นลักษณะเหมือนสมาธิที่ไม่ให้ไหวไม่ให้หลุดลอยไปเนี่ยเป็นสติแต่ทําให้ตึงจนลมพัดต้องก็ไม่สั่นไหวแล้วเนี่ยอันนั้นเหมือนสมาธิ ทีนี้พอหลังจากตรึงแล้วก็ไม่สั่นไหวแล้วในผ้านั้นนะ่ะเวลาเราจะบุคคลที่ตาดีจะมองเห็นรายละเอียดของผ้านั้นได้ชัดไหมแม้ชั้นใดกรณีที่สมาธิตั้งมั่นแล้วเวลาเป็นฐานปฏิบัติการเวลาจะใช้ปัญญาไปวิจัยแยกแยะอะไรมันยงเห็นอะไรได้ชัดเห็นไหมสมาธิจึงเป็นประทัด ฐ, ฐานของปัญญาด้วยอาการอย่างนี้เวลาสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยสติก็ไม่ต้องมีบทบาทมากเท่าไหร่ กลับไปอยู่ด้านหลังคอยประคองอยู่ด้านหลังแต่ท่านในขณะที่สมาธิความแนบแน่นแห่งจิตยังไม่เกิดสูรสตินี่ต้องทำกิตทั้งดึงทั้งตึงทั้งจับอยู่นั่นแหละแต่พอความมั่นคงตั้งมั่นแนบชิด ต, ติดกับอารมณ์นั้นของสมาธิมาทำกิจแล้วอยู่ด้านหน้าแล้วสติก็ลดบทบาทพอเข้าใจไหมเล่าพอมองเห็นไหมทาไม เ oh. <laughs> อาแต่ น, นี้ดูสมาธิเนี่ยสาระสำคัญของสมาธิก็คือสมาธิที่ใช้ในถูกทางเนี่ยจุดหมายก็คือเพื่อความหลุดพ้นสมาธิงพิกเวบาเวธาสมาตาาัวยะถาภูตังปชาณติเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุที่มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่า พอสมาธิมันตั้งมั่นแล้วมันจะเห็นชัดขึ้นแวบขึ้นมาเองไม่ใช่อย่างนั้นในดวัพุทธเนี่ยเมื่อจิตถึงความตั้งมัน่นสมาธิถึงความตั้งมั่นแล้วก็ใช้ความตั้งมั่นข่งจิตน้อมไปส่งไปเพื่อจะเดินวิปัสสนาญาณต่ออันนั้นเป็นกิจอีกทีหนึ่งไม่ใช่ได้สมาธิแล้วปัญญามันมาเองไม่ได้ไม่ไม่เป็นไปไม่ได้ปัญญายังมาเองอย่างนีน้ต้องส่งต่ออีกต้องส่งต่อต้องน้อมจิตหนึ่งจิตที่เป็น ความตั้งมั่นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์พองแผ้วเป็นต้นเหล่านี้คือท่านอุปมาอย่างนี้อุปมาว่าเมื่อจิตเข้าถึงความตั้งมั่นสะอาดบริสุทธิ์พองแผ้วไม่หวั่นไหวแล้วก็ควรกรรมนิยังเนะี่ยควรต่อการเอาไปใช้งานจิตต้องถึงภาวะความสงบใช่ไนหะ ขจัดความฟุ้งซ่านได้จิตก็จะต้องอ่อนขจัดความแข็งกระด้างด้วยทิฏฐิมานะเป็นต้นได้จิตก็ต้องเข้าถึงความเบากําจัดทีนามิทาซึ่งเป็นภาวะความหนักของจิตเป็นต้นได้จิตก็ต้องเข้าถึงความควรต่อการเอาไปใช้งานก็คือคล่องแคล่วแล้วทั้งตัวศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยคล่องแคล่วมากแล้วก็จิตกระตรงดําเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาได้อย่างดีแล้วจิตประเภทเนี้เหมาะแก่การที่จะไปเดิน ปัญญายาณต่อเพื่อจะได้ไปรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่เป็นต้นไม่ใช่จบแค่สมาธิแล้วไม่ใช่ได้สมาธิแล้วเป็นคุณวิเศษเป็นยาวิเศษไม่ใช่เลยสมาธิเป็นเพียงแค่ฐานปฏิบัติการของปัญญาอีกทีหนึง่งนั้นปัญญาที่รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงไม่ใช่เพื่อผลในการตอบสนองความต้องการของตเช่นนะไปอวดฤทธ์เลยอวดความสามารถ น, น ส, มสมาสมาธิเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นฐานปฏิบัติการที่จะเดินวิปัสสนาญาณอย่างนี้เป็นต้นสมาธิก็มีอยู่สามระดับใช่หมหนึ่งขั้นิการสมาธิสมาธิขั้นต้นซึ่งคนทั่วไปใช้ประโยชน์ในการทำกิจการทำการงานอ่านหนังสือกวาดบ้านทำกิจกรรมต่างๆให้ทารักษาศีลตัวเนี้ยสมาธิระดับเนี้ยเาเรียกันิกาสมาธิใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ แม้บุคคลที่จะเดินวิปาาัสนาญาณก็ต้องใช้ตัวกําลังของคณิกาสมาธินี่แหละแต่ไม่ใช่คณิกาสมาธิเบื้องต้นอย่างที่เรากล่าวกันต้องเป็นการฝึกจนสามารถทําให้นิวรธาธรรมสงบแล้วแล้วก็มาใช้สมาธิขั้นเบาๆได้ขั้นพื้นฐานได้แต่คนๆนั้นต้องสามารถกําจัดนิวรธาธรรมได้ก่อนนะถ้านิวรธาธรรมไม่ถูกขจัดไปไม่มีทางเดินวิปาาัสสนาญาณอะไรเดี๋วจะขยายให้ฟัง ส อ, อุปจาระสมาธิก็แปลสมาธิที่เฉียดเฉียดก็คือจวนจะแนวแน่สมาธิระดับอุปจาระเนี่ยก็แปลว่าสามารถระ ง, งับนิวรธรรมได้ลกล่มที่เขาสามารถเดินพุทธคุณเจริญพุทธคุณแล้วนิวรสงบระ ง, งับเดินธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยและลึกถึงคุณของพระเจ้าพระธรรมปารียสงฆ์และลึกถึงคุณของศีเเลเบตเต์อะไรเนี่ยการมาฉันทะพยาบาทีนมีท่าอุทธจักุกุเจ้าวิจิกิจฉาเนี่ยหลุด หลุดไปจากใจแล้วตอนนั้นะจิตโปร่งโล่งเบาระดับหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นสมาธิระดับปุปภาคแห่งอัปปนาสมาธิเข้าใจครับอุปปาภะอุปปาภา ค, ภาคนะเบื้องต้นใกล้จะเข้าสุชานเนี่ยสมาธิระดับนี้ก็ข่มนิวอนได้แล้วประการที่สามก็คืออัปปนาสมาธินี่สมาธิที่แนบสนิทเลยนี่เป็นสมาธิระดับสูง ก็อยู่ในฌานทุกระดับตั้งแต่ปฐมฌานทุเติยฌานเรียกอัปนาสมาธิหมดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนีนะว่าสมาธิเนี่ยสมาธิที่ใช้ที่เราจะเห็นในในคัมภีร์ทั้งหลายเหล่านี้ในคําสอนจะมีอุปจารออปาาุจาะสมาธิเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นละนิวรได้ถ้ามองใน แ, แง่ของกรรมฐานก็คือเป็นสมาธิที่ ใกล้ต่อชานแล้วก็มีความแน่วแน่พอสมควรถ้าไปฝึกไปอีกนิดหน่อยเนี่ยก็สามารถเป็นอัปนาสมาธิได้เลยทีนี้ในด้านของสมาธิเบื้องแรกที่พูดเมื่อสักครู่ที่บอกว่าขันิกาสมาธิเนี่ยถ้าเป็นบางแห่งบางที่บางตำลาเลยเนะยอย่างยกตัวอย่างเช่นปร ม, มัตถมัญชุษานในมหาดีกางนีนะท่านเรียกว่ามูลสมาธิมูล มูลสมาธิข้าแปลสมาธิขั้นมูลเข้าใจขั้นของคำมูลไหมสมาธิเบื้องต้นมูลกับเบื้องต้นเอันเดียวกันนี่แหละเป็นสมาธิต้นเขาหรือเบื้องต้นหรือขั้นมูลเป็นสมาธิหรืออีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าบริกรรมสมาธิแปลสมาธิขั้นตระเตรียมตระเตรียมก็คือขั้นลงมือรรมทำเช่นเริ่มจะกาหนดใหม่ๆอย่างเนี้ย พอติดเริ่มนิ่งนิดเดียวนี้ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นขณิการสมาธิเนี่ยเป็นขนั้นขัขน้กาสมาธิทีนี้มาดูพุทธพจน์ถ้ า, าพุทธพจน์มากล่าวแล้วให้เราฝึกแยกว่าขณะไหนเป็นสมาธิระดับไหนอันไหนเป็นขณิกาสมาธิอันไหนเป็นอุปจาระอันไหนเป็นอัปปนาถ้าไปอ่านพระไตรปิฎกเราจะสามารถแยกออกไหมสมมุติน ะ, ะเพราะฉะนั้นแลสมมติหนะึ่งภิกษุ เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจากเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำลงแนวเป็นอย่างดีในภายในและทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายที่เป็นอกุศลจกไม่เกาะกลุมจิตของเธอตั้งอยู่ได้พิกสูเธอพึงศึกษาอย่างนี้ฮะอ่ะเดี๋ยวขยายฟังนิดก็คือว่าพิกสูเธอพึงศึกษา คำว่าสิทติสัพเนี่ยนะคำว่าเธอพึงศึกษาเนี่ยแปลว่าเธอพึงฝึกฝนเพียรพยายามอันเดียวกันศึกษาเธอจงฝึกฝนเพียรพยายามบากบั่นลุดหน้าในการที่จะกระทําอย่างนี้ให้บอกว่าเธอจงศึกษาว่าอย่างนี้ว่าจิตของเราจากเป็นจิตที่ตั้งมั่นให้ตั้งใจตอนนี้จิตตั้งมั่นหรือยัง ตั้งมันหรื อ, อ ย, ยังยังตอนนี้ยังไม่ตั้งมั่นไงก็มาถามมามาปลกใจตัวเองบอกว่าเรียกชื่อเอาชื่ออะไรวันนี่เรียกเตือนตัวเองว่าวันตอนนี้เธอต้องตั้งใจแล้วว่าจิตของเราจะต้องเป็นจิตที่ตั้งมั่นให้ได้ตั้งคิดเแบบนี้แล้วจะต้องตั้งมั่นดำรงแนวแนว่ๆอย่างดีในภายในไม่ใช่ไปฟุ้งซ่านในภายนอกตลอดเวลาไม่เอา ทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายราคาโทสะโมาหะบาปอากุศลธรรมช่วรายทั้งหลายที่เป็นอกุศลจักได้ไม่เกาะกลุมจิตของเธอตั้งอยู่วันเธอพึงศึกษาอย่างนี้เธอต้องฝึกฝนเพียรพยายามกระทาอย่างนี้ไอ้กรณีที่มานัติกานะใส่ใจที่จะทําอย่างเนี้ยแล้วก็เริ่มจะจดจอ่ออันนี้เป็นสมาธิระดับไหนนี่แหละก็เรียกมูลสมาธินี่แหละขั้นนิกาสมาธิ นี่แหละเรียกบริกรรมสมาธินี่เริ่มตระเตรียมเข้าใจยังเขาเขาปลุกใจอย่างนี้เวลาจะปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆไปนั่งโดดผึงเข้าไปอา้าวไม่ใช่เลยเขาต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่าเรามีปัญหาชีวิตแบบไหนนิ่งเป็นหลับเงี้ยขยับกินเงีย้ยอย่างนี้ไม่ได้เรื่องแล้วกันเนอะเข้าใจยังอย่างนี้แปลว่าจิตไม่ได้ฝึกก็เตือนตัวเองเลยใส่ชื่อตัวเองเข้าไปพุทธิจา บ, บอกภิกษุแล้วก็ใส่ชื่อแเราอ่ะ เธอพึงศึกษาอย่างนี้เธอพึงฝึกฝนเพียรพยายามอย่างนี้ว่าจิตของเราเราคือใครก็เรานี่แหละ <c oughs> จากเป็นจิตที่ตั้งมัน่นดำรงแน่วเป็นอย่างดีในภายในตอนนี้มันไม่ตั้งมัน่นตอนนี้มันไม่ได้รงแนวอย่างดีในภายในทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายมันชอบมาเกิดอยู่เรื่อยๆใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวก็กำหนัด <c oughs> เดี๋ยวก็ขัดเคือง <c oughs> เดี๋ยวก็ร่มหลงเป็นไหม ฟงชาต์ลำคาญใจเลยไม่รู้เยอะแยะหมดอันนี้แปลว่าเนี่ยความจริงๆแล้วเราเป็นคนดีที่คนชั่วเนี่ยจร <c oughs> ิงๆลแล้วอุ้มช่วยดยเออเนี่ย <c oughs> ชหให้พูดคนเดียว <c oughs> <c oughs> พูดอย่างนี้แล้วมามองหน้าคนนั้นคนนี้เหมือนไปใช้สายตาไปใส่คนอื่นด้วยก็อย่างเออเนี่ยแล้วแล้วมองหน้าพระก็อีกแ <c> ล <oughs> ้วใายคิดยังไงมองหน้าทัานนายก็พอว่ายังไหมละ เข้าใจยังเคยพูดคนเดียวแต่ฉันจะพูดออกข้างนอกได้ทังน้นเราไม่ได้ยินไงเข้าใจเออรู้กติกากันหนี่ยนี่หมายพูดแล้วก็มองหน้าพระกงนทาไงพระจะคิดยังไงจิตเนี่จิตของเราจากเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำรงแนวเป็นอย่างดีในภายในทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายที่เป็นอกุศลจกไม่เกาะ <c oughs> กุบจิตตั้งอยู่ได้ เธอต้องฝึกฝนเพียรพยายามอย่างนี้เราจะฝึกฝนเพียรพยายามอย่างนี้จะไม่ให้บาปอกุศลธรรมมันชั่วร้ายมาเกาะกลุมจิตเราตั้งอยู่ทด้เหตุผลที่มันเกาะกินอยู่ในพระจิตมันซัดซายจิตที่มันไม่เน่วนี้ยจิตไม่ตั้งมัน่นเออเนี่ยเตือนใจตัวเองอย่างนี้เวล า, าไปอ่านคําสอนเพราะมันนึกถึงโอ้จริงๆเนาะอย่างที่พระเจ้าว่าเอาละนับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไป เราจะฝึกฝนเพียรพยายามทําจิตของตนเองให้ตํามลงตั้งมั่นเป็นอย่างดีในภายในทําทั้งหลายที่ชั่วร้ายจะได้ไม่เกาะกลุมจิตเราตั้งอยู่ได้เราจะฝึกฝนเพียรพยายามแบบนี้ตามที่พระพุทธเจ้าบอกโอ้เ oh, ชื่อมั่นที่พระพุทธเจ้าก็เริ่มอย่างนี้ได้อย่างเนี่ยเริ่มจะได้ขณิกายสมาธิไม่ใช่อยู่ๆอ้อาวไปดูลมหายใจเข้าออกเขาให้แป๊บเดียวหลับบางเลยเพราะไม่ได้ตั้งใจอะไรเลย ไม่ได้ไม่ได้รู้จักตัวเองเลยเหมือนกับไปขับรถไม่รู้สภาพรถยังไงไม่รู้อย่ารู้เรื่องเลยเหยียบเท่าไรอะไรเท่าไรควรจะ ย, ยังไงไม่รู้เรื่องเลยเขาให้ขับขับมั่วเลยไงียคนประเภทเนี้ยไม่ควรกับการบรรลุธรรมไอ้นคนที่ไม่ไม่ตั้งหลักไอ้พุทธิย่าวางหลั ก, ห ล, กหลักการปฏิบัติหมดเลยนะถามตัวเองใช่ไหมเออบาปมันเกาะกินจิตเราอยู่ตลอดเวลาไหมบ่อยไหม และเราถูกมันคอนโทรลํกากับอยู่ตลอดเวลาไหมเราอยากจะได้ภาวะที่ปลอดโปร่งโล่งโล่งเบาเป็นอิสระเสรีภาพจากกิเลสไหมเอาปรารถนาตรงนั้นแต่ตอนเนี้จิตของเรามันซัดสายว่าไงเถอมันไม่ตั้งมั่นไม่ดํารงเน่วแน่อย่างดีในภายในทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายมันเข้ามากุ้มรุมอยู่ตลอดเวลาอย่างเนี้ยไม่คู่ควรต่อการรมเอาละเราจะเริ่มตั้งแต่ขนานี้เป็นต้นไปเธอพึงศึกษาอย่างนี้ เธอพึงฝึกฝนเพียรพยายามอย่างนี้เธอพึงใส่ใจมนศสิการอย่างนี้เธอพึงเร่งระดมความเพียรเพื่อถึงทมที่ยังไม่ถึงบรรลุทมที่ไม่บรรลุทำไม่แจ้งซึ่งทมที่ยังไม่ได้เราทำให้แจ้งอย่างนี้อันเดียวกันในความหมายเดียวกันพอจะชัดเจนไนน้ยแบบนี้อ้าวนี่ได้สมาธิคณิกะสมมติพวกเราได้แล้วนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้นี่ <c oughs> อาจจะต่อถึงอุปจาระต่อเขาจะ เมื่อใดแลประโยคที่สองนะจิตของเธอเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำรงแนวเป็นอย่างดีแล้วดารงตั้งมั่นดำรงแนวเป็นอย่างดีแล้วในภายในทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายที่เป็นอกุศลราคะาโทสะโมหะที่เป็นบาปอากุศลเนี่ยไม่เกาะกลุมจิตตั้งอยู่ได้ไม่เกาะกลุมจิตตั้งอยู่ได้เธอเมื่อนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจากเจริญ จะทำให้มากซึ่งอะไรถ้าเป็นอาณาบนานณสติก็อาณาบรณสติถ้าเป็นเมตาก็เมตตากรุณากรุณาหรือกรรมฐานหรือพุทธานุสติก็ว่าไปเธอเพิงศึกษาเราจากเจริญจากทำให้มากซึ่งสมมติว่าพุทธานุสติก็ทำให้เป็นดุจยานดุจยานก็คือเป็นยานพาหนะานำพาเราไปถึงจุดหมายให้ได้ทำให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสั่งสมจัดเจนท์ทำให้สำเร็จด้วยดี ทำให้สำเร็จเป็นอย่างดีภิกษุเธอพึงศึกษาอย่างนี้แหละเธอพึงใส่ใจมณัตการเพียรพยายามอย่างนี้แหละอันนี้เป็นสมาธิระดับไหนนี่ไงอุปจารสมาธิเขาจยังเนี่ยเห็นหั้ยมันมีลำดับขั้นตอนว่าระดับหนึ่งวางท่าทีทางใจยังไงระดับที่สองแปลว่าบาป อ, อกเสืร่าชั่วร้ายออกไปแล้วแต่ไม่ได้หยุดแค่นั้น เราจักเจริญจักทาให้มากจะยังไงจะทําให้มากตอนนั้นนะ่ะทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายที่เป็นอกุศลไม่กาอกุมจิตตั้งอยู่เมื่อ น, นั้นเธอเพึงศึกษาวาเราจักเจริญจักทาให้มากซึ่งพุทธคุณจักเจริญจักทาให้มากซึ่งเมตตาติเจตวิมุติจัจกทาให้มากซึ่งอานาปนาสติเป็นต้นเนี่ยทําให้เป็นดุจยานเป็นยานพาานานพาไปถึงจุดหมายได้ ทําให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสั่งสมจัดเจนเข้าใจคำว่าจัดเจนไหมแปลว่าชานาญเลยฝึกจนชานาญเลยจนคล่องแคล่วเลยตรงนี้ฝึกเข้ากับเข้าสมาธิได้เริ่มคล่องแคล่วขึ้นคล่องแคล่วก็ทให้สาเร็จได้เป็นอย่างดีพิกษุเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล้วก็เหมือนเน้นวดเนี่ยต้องฝึกไหมพอเริ่มเริ่มเริ่มตั้งไขได้แล้วเริ่มนั้นแล้วต้อง รีบสั่งสมให้มันจัดเจนไหมนั่นอันเดียวกันอันเดียวกันเรื่องเดียวกันนั่นแหนะละ <c oughs> โอ้เข้าใจนะอันนี้ได้อุปจาระแล้วได้ยังได้แล้วตอนนี้เนี่ยนิวรธรรมไม่ไม่กุ้มลุมแล้ว บาปไม่เกิดในจิตแล้วโอ้โหตอนนี้จิตโปร่งโล่งเบาจิตเกลี้ยงเกลาจิตะสะอาดเอี่ยมอ่องพองแผ้วจิตไม่มีมวลทินจิตเป็นมีความสุขโอ้โหแต่บางคนหยุดแค่นั้นไม่ฝึกไม่ฝึกไ ม, ไม่ไม่เพียรพยายามไม่ทําให้จัดเจนไม่ทําประดุดญานกับมาแช่อยู่ติดอยู่เห็นไหมมันเลยได้แค่นั้นเคยได้ไหมภาะวะจิตแบบเนี้ยฮ<ะ>มันทาให้เกียดคานสมาธิเป็น มันมันใกล้ตัวความเกียรติคันเมื่อใดแลนีท่อนที่สามสมาธิเป็นธรรมอันเธอได้เจริญได้ทำให้มากอย่างนี้แล้วเมื่อนั้นเธอพึงเจริญสมาธิให้เข้าถึงสภาวะที่มีทั้งวิตกมีทั้งวิจารอันไม่มีวิตกมีวิจารเป็นต้นไล่ไปตามดับตั้งแต่นั้นเลยไล่ไปจนถึงปฐมฌานทุเดชฌานเป็นต้น อันประกอบไปด้วยความชื่นช่ำไล่ไปตามลําดับเถอะสรุปแล้วตรงนี้ชี้เห็นอย่างนี้ว่ า, วาหนึ่งขัณิกะสมาธิสองอุปจาราสมาธิสามอัปปนาสมาธิตรงนี้ที่บอกว่าพิกสูทั้งหลายความเพียรเราได้เล่งระดมแล้วไม่ย่อหย่อนสติก็กำกับอยู่ไม่เลือนหลงกายก็ผ่อนคลายสงบไม่กระสรับกระสายจิตก็ตั้งมั่นมีอารมณ์หนึ่งเดียว อันนี้ปแปล ว, ว่าเข้าถึงสมาธิและวพิสูจ์ทั้งหลายเรานั้นแหละสังกัดจากการมสังกัดจากกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุแล้วซึ่งปฐมฌานเป็นต้นไอ้คําว่าดํารงจิตไว้ในภายในให้สงบอยู่ตัวทาให้มีลมหนึ่งเดียวตั้งมั่นเนี่ยข้อความนี้บ่งบอกถึงว่าอันแรกเนะี่ยบอกเป็นมูลสมาธิดัางที่ได้กล่าวอันที่สองบอกเป็นอุปจารสมาธิที่สามบอกถึงอัปปนานสมาธิทีนี้ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่ไม่ใช่สมาธิ ไม่ใช่สมาธิแต่เป็นปฏิปกักเป็นศัตรูของสมาธิต้องกำจัดคืออะไรถ้ากำจัดไม่ได้ไม่สามารถจะเกิดสมาธิได้ใช่นิวรอนอันนี้ไม่ใช่สมาธินะอย่าไปย่าเข้าใจเป็นสมาธินะเครื่องกั้นเครื่องขัดขวางถ้าแปลตามหลักวิชาการเขาจะแปลยังไงดีคำว่านิวอนนิวรานนะี่ สิ่งที่กีดกั้นการทำงานของจิตสิ่งที่ขัดขวางความดีงามของจิตหรือเรียกว่าสิ่งที่ทอนกำลังปัญญาทอนกำลังปัญญาแปลว่าอะไรแสดงความหมายอย่างนี้นก็คือสิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในกุศลธรรมคือเป็นทำฝ่ายชั่วที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีหรืออกุศลธรรมที่ทาให้จิตเศร้าหมองและทาปัญญาให้อ่อนกาลังลง นิวร์เนี่ยทำให้ะถ้าถ้าใครอยากจะเป็นอัลไซเมอร์จะบอกวิธีวันเนี้ยจะบอกวิธี <c oughs> <c oughs> ในพุทธพจน์ที่บอกภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้เป็นเครื่องปิดกันกุศลธรรมเป็นเครื่องห้าม ห้ามความเจริญงอกงามของสุรธรรมเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วกดทับจิตไว้ทำปัญญาให้อ่อนกำลังลงทำปัญญาให้อ่อนกำลังลงนะเป็นอุปกิเลสของจิตเป็นสนิมอะเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองทำปัญญาอ่อนกำลังและนิวลาทห้าประการเหล่านี้ทำให้มืดบอดทำให้ไร้จกักูุคือปัญญาจักสุนะ่ ทำให้ไม่มียาณ น, นะคือสร้างความไม่รู้ทำให้ปัญญาดับส่งเสริมความคับแค้นใจไม่เป็นไปเพื่อเบือหน่ายลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานใช่นิวรณทีนี้ในนิวรณ5ประการเนี่ยอย่าไปสับสนนะกับสมาธิหรือสมถะหากพบเมื่ อ, อไหร่มึงตระหนักว่านี้ไม่ใช่สมาธนี่ไม่ใช่สมาธิหนึ่งการมาชันทะความอยากได้อยากเอา เวลาอยากได้อยากเอาว่ามันเพ่งมันมีสมาธิไหม mm hmm. นั่นแหละอย่าไปเข้าใจเป็นสมาธิ น, นะ mm hmm. ถ้ามันเกิดมันเกิดเกิดกำหนัดยินดีขึ้นมา mm hmm. ก็คือความพอใจในกามอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ความอยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลัพพะที่น่าปรารถนาหน้าไข่หน้าพอใจเป็นกิเลสพวกโลภะกิจที่ถูกล่อด้วยอารมณ์ต่างๆคิดอยากได้โน่นอยากได้นี่ติดใจน่นติดใจเนี่ย แล้วมันก็เขวออกไปหาอารมณ์อื่นๆคุณนคล้องอยู่ย่อมไม่ตั้งมั่นเดินก็ไม่เรียบไม่อาจเป็นสมาธิได้เห็นไหยังเคยเป็นไหมล่ะนี่แมันมันเขาเรียกว่าบางทีก็ร่านร้นนะแปลว่าร่านร้นในการมชันท่าน ตั้หาสภาพที่ราดหลนแสบไปหาอารมณ์ต่างๆพอได้อารมณ์นั้นก็ไปตั้งมั่นอยากได้คุณคิดคุค้นข้องอยู่ในลมอารมณ์นั้นอย่าไปเข้าใ้าเป็นสมาธิที่เป็นสมาสมาธินั่นเนี่ยมิจฉาไอ้นี้ต้องเป็นเครื่องกั้นจิตเป็นเครื่องเป็นอุปกเกเรตของจิตด้วยทําปัญญาอ่อนกําลังลงทําปัญญาอ่อนกําลังลงแล้วก็เป็นทําให้มืดบอดไร้จักสูบไม่มีญาณ น, นะสร้างความไม่รู้ เนี่ยถ้าทำเรื่อย ๆ, ๆ, ๆจะกลายเป็นคนปัญญาทึบงั้นคนที่มีความกำหนันดยินดีมาก ๆ, ๆ, ๆปัญญาทึบ <laughs> ใช่มันมันทึบตอนนั้นแหละตอนที่กำลังเกิดแล้วมันก็จะทึบต่อไปพวกเราเคยใช้บริการมันเยอะไหมตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเยอะไหมอ่างั้นก็จงทำต่อไป สองพยาบาทความขัดเคืองแค้นใจพยาปาธาเนี่ยขัดใจแค้นเคืองเกลียดชังผูกใจเจ็บโกรธหงุดหงิดฉุนเฉียวขัดใจไม่พอใจกระทบไหมกระทบนั่นกระทบนี้งุดห ง, ด ง, ดงิดนุ่นงุดหนีสุดนั้นสะุดนี้เดินเรียบหรือไม่เรียบไม่ไหลไหลไม่ไหลยอย่างต่อเนื่องย่อมไม่อาจเป็นสมาธิได้ฝนตก เครียดไหมฝนไม่ตกก็เครียดหมาไปนอนที่สานักเครียดเครียดดีไปไปมาจับหมาไปทำหมานบาปเลนโอยโอ้โอโอ ต, มมตออบ้านลกเครียดไหมสะอาดอเครียดตรงไหนไม่รู้เก็บของกันไปไว้ไหนหมด <laughed> เครียดหมดมันจะเครียดมันเครียดได้ทุกเรื่องมันหาเหตุผลเครียดทั้งมันได้หมดแหละสรุปก็คือนี่แหละปัญญาดับไร้ไร้จักสู่ไม่มียานนะไม่สร้างยานความรู้ให้เกิดขึ้นทำเรื่อยๆๆๆๆแล้วมืดบอดหมดเลยนเนี่ยเนี่ยเล็กถอนกำลังปัญญาแสดง ไอ้ตัวนี้วอนตัวเนี้ยตอนกําลังปัญญาแล้วปิดกั้นอกุศลปิดกั้นกุศลธรรมเป็นเครื่องห้ามความเจริญมันกดทับจิตไว้ทําปัญญาอ่อนกำลังเป็นอุปบกเรศของจิตเลยเป็นสนิมเป็นสนิมที่ทําให้ใจเศร้าหมองด้วยปัญญาก็ค่อยหมดลงหมดลงวิธีการที่ให้ปัญญาหมดกดมากๆขีงดหงิดบ่อยๆประการที่สามถีนมิทะหดหูเสื่องซึมเป็นบ่อยไหมเสื่องซึม เซ็งเคยเป็นไมเซ็งเซ็งเซ็งนี่ทีนะซึมนี่มิทธะเซ็งกับซึมไม่เหมือนกันทีนะ่ะคือความว่าถูห่อเหี่ยวถอดถอยและย่อท้อแท้ซบเซาเหงาหงอยและเหี่ยนี่เป็นอาการของจิตมิทธะก็ซึมเฉยเฉาง่วงเห ง, งเาเหานอนงกง่วงอึดอัดมึนตื้ออาการซึมซึมเฉาเฉาเนี่ย อื่นอาดโงกง่ว ง, ง, วงมึนตือ้อซึมๆนี่เป็นไปทางกายเป็นตัวเราเนี่ยนี่จิตที่เป็นไปลักษณะนี้ถูกทีนาะมิธะครอบงำไม่เข้มแข็งไม่คล่องตัวไม่เหมาะแกการไปใช้งานจึงไม่อาจเป็นสมาธิได้โกมพวกเนี้ยเป็นบ่อยอย่างเราเนี่ยบ่อยเป็นคนที่เซ็งบ่อยซึมบ่อยไม่กระตือรือร้นเนี่ยไปๆมาๆก็มมไม่อยากทําอะไร ไม่อยากจะได้ดิบได้ดีอะไรเซ็งไปหมดเนี่ยมันมันมันเป็นลักษณะเนี้ยทำท่าอยากจะทำฮึดขึ้นไปได้นิดเดียวเซ็งเบื่ อ, อทำไปเรื่อยเรื่อยตามเขาจะให้ไปทำอะไรแบบความคิดก้าวหน้ากระตือหรือล้นไม่ไม่ไม่เป็นพวกนี้ถี่นะมีท่ามีกำลังปัญญาดับทอนกำลังปัญญาทําไปเรื่อยๆนะเขานยะเขาก็สมองก็ค่อยๆฟ all เขาเป็น a l z h e ม m e อันเดียวกันเลยท้อพอเห็นหน้าเห็นหน้าภรรยาก็ทอกินเบื่อเซ็งก็อันเดียวกันเนี่ยทีนามิถานี่เคยเป็นไหมล่ะอ๋อีใบอ้อยขายอุทธจักุกุจจะ ฟุ้งซ่านและเดือดร้อนใจแยกเป็นอุทธจักรคือฟุ้งซ่านไม่สงบเนี่ยทรายผ้าผ่านไปกับกุกจจะในวุ่นวายใจลาคาญใจระแวงเป็นคนระแวงจัดเดือดร้อนใจยุ่งใจกุ้มใจกังวลใจเคยเป็นไหมเ น, นี่ยกุ้มใจนี่เป็นเป็นกุกจจะฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆคิดคิดแพ้แพ้แไปเรื่อยๆเนี้ยนะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่มีเหตุผลไม่มีสาระไปเรื่อยๆนี่ออก็อุทธจัก เขามาแยกเอาสองตัวเนี่ยมารวมกันเรียกอุท ธ, ธาจากกับกุกุ จ, จักลำคาญใจไม่ได้ทำได้เป็นสาระเลยชีวิตเรา <laughs> <c oughs> แล้วก็แล้วก็ไม่กล้าไม่แล้วก็แล้วก็เอาอะไรมากบต่อประกบเกินกนืนแค่คุยนั่นคุยนี่เะไเป็นเพื่อ น, น, นไปไม่พยายามไม่คิดถึงมันแต่จริงๆไร้สาระเนะี <laughs> ่ย พยายามทาไปอย่างนี้ไม่ได้สาระของชีวิตจิตก็ไม่สงบเคว้งคว้างพล่านเคว้งคว้างรับอารมณ์ไม่มั่นไม่อาจเป็นสมาธิได้นี่ตัวทำลายสมาธิสุดท้ายก็คือวิจิกิจฉาเขาแปลว่าลังเลสงสยัยเครือบแครงใจไม่แน่ใจสงสยัย เ, เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พูดสั้นๆก็คือว่าแคลงใจในกุศลธรรมไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิต ลังเลและสับสนจะเอาอยัางไงเนี่ยจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเอาอยัางไงแน่ในชีวิตเนี่ยเออที่ว่อเนี่ยจะบวชหรือไม่บวชอาชีวอนมาไว้แล้วม่จะเอาอยัางไงเนี่ยชีวิตจะเอาอยัางไงจะเป็นฆราวาสหรือจะเป็นนักบวช ลังเลวิจิกริชาตัวนี้เขาเรียกว่าโมมุหจิตโมหะโมหะจิตมันมีสองโมหะเขาเรียกว่าหลงยกกำลังสองยกกำลังสองเขาเป็นอติสยะเขาเรียกว่าหลงอย่างยิ่งหลงอย่างเหลือเกินคือมันมันลังเลจนไม่รู้จะดำเนินยังไงแล้วก็ปล่อยเรื่อยๆคือมันมันไม่รู้จะเอาอยัางไง ก็คือยกตัวอย่างเช่นเวลาจะทําดีนะีก็ดีได้ไม่เต็มที่ก็มีชั่วมาแฝงใช่ไหมคือมันจะมีอย่างนี้นะถ้าทําชั่วไปเลยเนี่ยมันไม่สงสัยเลยเนะยบาปไปเลยเอายอมรับผิดชอบประชีวิตไปเลยแล้วจะต้องตกนรกไปอบายทุกติวิบัตินรกไปเล ย, เยกายทุจริตวจีทวจริตมโนทวจริตติเตียนปริยเจ้าเป็นบาปไปเลยแปยางงี้พวกนี้ไม่สงสัยอธิโมกบาปชัดเลยพวกนี้ยบาปจัด พวกนี้วิจิกิจฉาไม่มีเลยทํำบาปด้วยโลระโทสะโดยโ ด, ย, ดยกำลังโทสะจะเห็นไหมคนประเภทนี้ไม่กลัวเลยอะไรที่เกิดช่างตายเป็นตายไปเลยยลงอ่ะอย่างพระเทวทัตเนี้ยพระเทวทัตนี่ไม่ไม่สงสยัยจะทําปึ๊บเลยเลยเนี่ยวางเงินเดือนใช่ช่วจริงๆเลยอีกอีกกลุ่มหนึ่งก็ทําดีเลยนะไม่ทําชั่วเหมือนกันเหมือนอุทกกาดาบทอลลาดาบทเนี่ยปุ๊บไปดีไปเลย แตติดว่าตาเหมือนกันเนี่ย<笑>พวกนี้ไปว่ตาเหมือนกันเป็นมหาชนิโยเนี่ยไปโคตรซวยเลยเหมือนกันลองว่าอุทกะดาบท阿าดาว า, าบทกพระเทวดาใครซวยกว่ากันอุทกะดาวบท阿าดาวาบทซวยกว่าเพราะว่าไปเป็นอรูปภพมมันอายุยืนยาวแล้วมันมันหลงมันเป็นวิชาที่ถีหลงผิดไปเลยแต่ทําดีนะพวกนี้ติดดีอ่ะติดดีแต่มันดีผิดทางแล้วไปอยู่ในอรูปภพนู่นน่ง นี่นี่ไปทางนะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือชั่วก็ทำดีก็ทำไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตดีทำทำกรรมนา เ, <ล>เขาเขามีการกินเลี้ยงฉลองกับปสนุกสนานกับเขามีงานต่องงานแต่งงานไปหมดแล้วว่างั้นสนุกสนานอ้าวอีกทีนดนไปคอร์สปฏิบัติธรรมกับเขาไปใส่ชุดขาว <laughs> ไปกับเขาแล้วเนี่ยว่างั้นน่ เนี่ยมันไปอย่างเงี้ยอันนี้คือลังเลลังเลเป็นกลุ่มไหนอะหมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปโอ้โหงานสนุกสนานก็เเขาลองลํำทำเพลงก็เอาสนุกสนานก็เอากินเลี้ยงก็เอาเที่ยวห้างดูหนังดูละครก็เอา แล้วก็แล้วอ้าวไปใส่ชุดขาวนู่นอยู่อ่างทองไปอยู่อ้าวไปเห็นที่ไรไปปฏิบัติธรรมอยู่อถามไปไหมยังโอไปมาหมดแล้วยุบหนอบองหนอโอ้ผ่านมาแล้วโกงก้าผ่านมาแล้วครูสมาธิโอ้ยผ่านมาแล้วเนี่ยมันเช่าออกมาคุยกันอยู่แล้วก็มากรวดถามว่าแล้วไปแล้วห้างที่หน้าบ้านนี่โอ้ยหลายรอบแล้ว เนี่ยพวกลังเลสงสัยมองเห็นนี่ยังพวกนิวิจิกิชาจะเอาดีก็ได้ได้ไม่สุดชั่วก็ยู้อย่างเนี้วนวนวนเป็นไม่เป็นกลุ่มเนี้ยทั้งสามกลุ่มมาเนี้ยเสียหมดเลยนะเนี่ยกรรมดําวิบากดําอบายทุกติวิบากในโลกกรรมขาววิบา ก, กขา ว, ว, าขาวนู่นสูงสุดไปจนถึงอุตกกาตาบทาราตาบท กรรมทั้งดําและขาวมีวิบากทั้งดําและขาวค้าเข้ากันไปเดี๋ยวดีไม่ดีดีวนเนี้ยขึ้นลงนรกขึ้นสวรรค์วนว น, นอยู่เนี้ยติดวตฏฏะทีนี้กลุ่มสุดท้ายเขาเรียกว่ากรรมที่ไม่ดําไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพราะวาความสิ้กนการพวกนี้นแน่วแน่ศึกษากําจัดวิจิกิจฉากําจัดอุทะจรกําจัดอวิชชาจํากัดความไม่รู้ทิ้งไปเบ็ดเสร็จมีจุดหมายเดียวคืออนุ ป, ปาทานผลิตให้ผ่านดาเนินกระแสชีวิตเพื่อ ดำเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาจริงตั้งอัธยาศัยทุกขั้นตอนทุกทุกเจตจํานงที่ตั้งใจจุดหมายหลักคือพ้นทุกจุดหมายลองต้องผ่านอะไรก็จะไม่เผินกับมันดําเนินชีวิตตรงตรงต่อมัชฌิมาปฏิปทาอย่างแท้จริงกลุ่มนี้ไม่มีวิจิกิจฉาขจัดแล้วเห็นด้วยวิจิกิจฉานเป็นโทษทําให้ลังเลทำให้ไม่มั่นใจในการดําเนินชีวิต ไอ้ตัวลงอบายทุกติวิธบดีก็เสียหายตัวไปสุขติที่ติดอยู่ในภพก็เสียหายตัวทั้งดีและไม่ดีทั้งหลายก็เสียหายแต่ดําเนินตรงไปตามมัชฌิมาปฏิปทามีอนุภาตาปฏิทปทาเป็จุดหมายถ้าอย่างนี้ไม่มีนิวรณ์ใช่ไหมฉะนั้นจิตที่เป็นไปกับความลังเลสงสัยทั้งหลายเหล่านี้มันย่อมไม่อาจจะนแน่วแน่ไม่อาจจะเป็นสมาธิได้เพราะถูกวิจิกิจฉาขัดขวางอยู่เนี่ยลักษณะจิตที่ไม่เป็นสมาธิมันเป็นแบบนี้ทีนี้ ตรงกันข้ามถ้าเป็นอธิตจิตตสิกขาหรือสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่มีภาวะที่จิตที่มีคุณภาพมีสมรรถภาพแล้วก็มีความสุขนี่นะจิตที่เป็นสมาธิที่มีคุณภาพดีสมรรถภาพสูงมีลักษณะหนึ่งแข็งแรงมีพลังมากท่านเปรียบเหมือนกันกับกระแสน้ําที่ถูกควบคุมให้ไหลพุ่งไปในทิศ ท, ทางเดียวย่อมมีกําลังแรงกว่าน้ําที่ถูกปล่อยให้พลาดกระจายเหมือนขึ้นไปที่สูง ถ้าทำท่อแล้วเอาน้ำเทลงในท่อแล้วพุ่งลงเนี่ยโอ้โหแรงแล้วก็พัดอะไรในสิ่งที่ควรพัดไปได้แต่ถ้าหากเทกระจายไม่มีพลังอะไรเลยนั้นจิตซ่านจิตซัดสายทั้งหลายไม่มีพลังจิตต้องมีรวมเป็นพลังหนึ่งเดียวจะมีพลังตั้งมั่นในวมเดียวถึงจะมีพลังแง่หนึ่งมีพลังมากสองราบเรียบสงบซึ้ง เหมือนสระน้ำหรือเหมือนบึงใหญ่ที่มีน้ำนิ่งไม่มีลมพัดต้องไม่มีสิ่งใดๆมารบกวนให้กับเพื่อมนิ่งเห็นไหมว่ามีพลังไม่พอเรียบสงบซึ้งแล้วนิ่งประการที่สามก็คือใสกระจ่างมองเห็นอะไรได้ชัดเหมือนน้ำสงบนิ่งไม่มีเร้ยวขึ้นไม่มีฝุ่นละอองไม่ตกตะกอนตอนกลนจิตที่มันใสเนี่ย เหมือนน้ำที่ใสสงบนิ่งเลยเพอใสด้วยเนะมันมองเห็นหมดเลยข้างล่างมีปลามีเต่ามีปูหอยปูปลาก้อนอก็เหยนหมดตอนนี้เราเห็นอะไรไหมมองไปในจิตไม่เลยมืดหมดนึกอะไรก็ไม่ออกเพราะอะไรจิตมันคุนจิตไม่ใสจิตไม่สะอาดประการที่สีนุ่มนุ่มนวลควรแก่การบอมาะแกการใช้งาน เพราะอะไรไม่เครียดไม่กระด้างไม่วุ่นไม่ขุนมัวไม่สับสนไม่เร่าร้อนไม่กังวนกังวลลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเอกคตาเข้าแปลว่าภาวะที่จิตมีลมหนึ่งเดียว น, ะคว e นะคำว่า e เอกคตามันจะคําว่าเอกสระเอกอไก่เอสระเออออ อ, อ่างกอไก่เอกะทีนี้บวกอคกขเอกขะ ตาเนี่ยตาตรงนี้เป็นภาวะแปลว่าสภาวะคืออักคะในที่นี้ท่านให้แปลว่าอารมณ์แต่ความหมายเดิมแท้ก็แปลว่าจุดจุดยอดหรือจุดปลายอะจิตที่มีสมาธิก็คือจิตที่มียอดหรือจิตที่มีจุดปลายจุดเดียวมีลักษณะแหลมพุ่งแทงทะลุสิ่งต่างๆได้ง่ายจิตที่มีสมาธิมันจะแหลมแล้วพุ่งไปแล้วก็สามารถเจาะทะลุทะลวงอะไรได้จํา น้อมไปเพื่อจะรู้อะไรก็ได้เขาเรเียอกอนนะะ จ, จิตที่ประกอบด้วยองค์8ปดเนี่ยเขาเรียกอัดถังคะสมานนาฆตจิตจิตที่ประกอบด้วยองค์แ 1. ดหนึ่งตั้งมั่นสองบริสุทธิส์สผ่องใสสี่โปร่งโรงเกลี้ยงเกลาห้าปราศจากสิ่งมัวหมองหกก็นุ่มนวลเจ็ดควรแก่การงานนี่เหมาะแก่การเอาไปเดินวิปัสสนาญาณหรือเอาไปใช้งานอย่างอื่นได้ ประการที่แปดก็อยู่ตัวไม่วอกแวกไม่ห ว, นวนะันไหวเนี่ะน่ะจิตในลักษณะแบบนี้นี่แหละเป็นจิตที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็เหมาะในขณะที่เราอยู่ในในพระศาสนาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ฝึกให้ได้แบบนี้ให้ได้จิตที่มีคุณภาพอย่างเนี้ยทีนี้เอาต่อพระพุทธเจ้าก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้เป็นเครื่องปิดกัน้นเป็นนิวรณ์เป็นสิ่งที่กดทับจิตทําปัญญาให้อ่อนกําลัง ทำให้ไร้จักสุห้าประการคือการมฉันทะความติดใจใ่กระสัรพยาบาทความโกรธความหงุดหงิดทีนมิท่า ห, หัวถูท่อถอยอุทจักกุกจาพุ้งสร้างลำคารใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยภิกษุหรือพุทธบริษัทไม่ละทำทั้งห้าประการนี้ซึ่งเป็นเครื่องปิดกัน้นเป็นนิวรนเป็นสิ่งที่กดทับจิตทาปัญญาให้อ่อนกาลังลงทาให้จิตมืดบอดไร้จักสุไรา ย, ยาณนะ เมื่อทําให้นิวรณ์กุ้มรวมจิตอย่างนี้แล้วจกรู้ประโยชน์ตนจกรู้ประโยชน์ผู้อื่นจะรู้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือจักประจักษ์แจ้งซึ่งญาณทัศน์อันวิเศษที่สามารถทําให้เป็นพระอริยะซึ่งยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สามัญด้วยปัญญาที่ทุทรพลไร้กาลังนั้นข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้สรุปตราบใดทั้งให้นิวรณ์ทั้งหการมาชันท่พยาบาทีนมิธาอุทธักกุกุจาวิจิกิชากุ้มรวมอยู่ในจิต แล้วจะเอาจิตเหล่าเนี้ยเกิดขึ ãos, ้นมาแล้วมันจะไม่รู้ประโยชน์ตนประโยชน์เนี่ยเช่นประโยชน์ตาเห็นเนี่ยก็ไม่รู้ประโยชน์เลยตาเห็นประโยชน์อย่างยิ่งก็ไม่รู้ประโยชน์บุคคลอื่นก็ไม่รู้ประโยชน์ส่วนรวมก็ไม่รู้มันจะไปรู้ได้ยังไงเมื่อถูกนิวรณ์กุ้มลมมีแต่ติดใจไฝ่กระสันมีแต่เครียดโกรธมีแต่หดหู่ท้อถอยมีแต่ลังเลเออฟุ้งซ่านลาคาญใจลังเลสงสัยจิตเหล่านี้ว่ากุ้มลมไปเสร็จจะรู้ไหมว่า ประโยชน์ตาเห็นเนี่ยเช่นแค่จะดูแล้วว่า เ, เราจะทำร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีมีชีวิตยืนยาวก็ไม่รู้แล้วเออทำยังไงเนาะจะได้มีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมก็ไม่รู้เพึ่งตนเองได้มีงานมีเงินพึ่งตนเองได้ทางด้านเศรษฐกิจสังคมก็ไม่รู้ อ, อยู่ยังครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขสมัครสมานสมามัคคีขนาดประโยชน์ตนนี้ก็ไม่ได้รู้เรื่องแล้ว เพราะอะไรนิวรณ์มันกุ้มลุมถ้าประโยชน์ที่เลยตาเห็นเช่นจะมีศรัทธาในพระรณาตายจะมีศีลมีสุตตะของพระอริยะเจ้ามีชาค้ า, ามีปัญญายิ่งไม่ต้องพูดถึงยิ่งจะเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะกระจัดกิเลสและกองทุกเพื่อจะชํชำระฝึกตัวเองให้เป็นอริยะนี่จบเลยเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรนิวรณ์กุ้มลุมใช่ไหม <laughs> จริงให้จริง <laughs> ทีนี้เอาอะไรตัวนี้ยเขาเรียกว่า บอกว่าจะประจักษ์แจ้งซึ่งยาณทัศนะที่สามารถทำให้เป็นอริยะซึ่งยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สามัญด้วยปัญญาที่ทุรพลไร้กำลังนี่ปัญญาทุรพลข้อนี้ย่อมไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้เปรียบเสมือนเลยแม่น้ำที่เกิดบนภูเขาไหลลงเป็นสายยาวมีกระแสเชี่ยวพัดพาสิ่งที่ควรจะพัดได้บุรุษเนี่ยเปิดปากเบืองออกทั้งสองข้างเปิดปากเบืองออกทั้งสองข้างปุ๊บให้น้ามัน ถ้ากระจายไปทั่วเขาไม่มีพลังไม่มีพลังว่างันเถอะไม่ไหลไม่แล่นไม่ไหลไม่มีกระแสเชี่ยวและพัดพาสิ่งที่พัดพาเป็นไปไม่ได้นี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้มองเห็นอย่างว่าจิตที่ถูกกามาฉันทาพยาบาทถีนามิทธาอุทจักกุกุจจาวิจิกิจฉากุ้มรุมเช่นจิตที่ถูกการมมราค้าครอบงำเหมือนอะไร เหมือนกับเอาภาชนะใส่น้ําภาชนะมีน้ําแล้วในน้ํานั้นมีสีคลั่งสีขมิ้นสีเขียวสีแดงปนกันอยู่คนตาดีชะโงกหน้าไปในภาชนะนั้นจะดูเงาหน้าตัวเองในชนะภาชนะนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงเพราะมันมีสีปนอยู่เหมือนกันเราจะไปรู้ความจริงของชีวิตเป็นไปไม่ได้ตอนนั้นน่ยกามาฉันทามันกุ้มรุมจิตอยู่ ความติดใจฝ่ายะสันกุ้มลุมอยู่มันมันใส่แว่นแว่นสีไปแล้วมันไม่เห็นอะไรตามความเป็นจริงเรียบร้อยไปแล้ว <S <S จิตที่ถูกพยาบาทครอบงำก็เหมือนกับภาชนะไปตั้งไ ว, ว้บนเตาที่ร้อนเน่ะเผาแล้วร้อนเดือดพานปุ๊บปุ๊บปุป๊ปคนตาดีชะโ ง, งกหน้าไปที่หม้อที่ภาชนะนั้นเห็นเงาหน้าได้ไหมไม่ได้ก็ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็ น, ห น, หนตามความเป็นจริงจิตตอนนั้นมันเดือดปุ๊บปุ๊บอยู่มันก็ไม่รู้อะไรตามความเป็นจริงมันก็ใส่แว่นอีกชนิดหนึ่ง แว่นสีก็ไม่สามารถมองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงได้จิตที่ถูกถีหนมิทะความหดหู่ท่อถอยครอบงํำเหมือนเอาภาชนะใส่น้ําที่ถูกสาหลายจอกแหนปกคลุมอยู่คนตาดีไปมองดูเงาหน้าในภาชนะนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงว่ามีจอกแหนและสาลายมันปกคลุมอยู่เพราะมันเอทีหนมิทะกุมรุมก็จะเป็นแบบนี้จิตที่ถูกอุเทจรักุกุจักุกุมรุมอยู่ก็เหมือนกับเอาภาชนะเนี่ย ใส่น้ำเข้าไว้แล้วก็ลมพัดกระเพื่อมตลอดแล้วไปมองหน้าเราเห็นไหมโอ้โหเห็นอะไรไม่รู้วุบวับวุบวับวุบวับไปหมดนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงจิต ท, ที่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำก็เหมือนอภาชนะใส่น้ำที่คุณด้วยนะมีตมด้วยวางไว้ในที่มืดก็าอีกโอ้โหตัวนี้หนักกว่าเขาอีกไปมองตอนกลางคืนมันจะเห็นเงาเ น, นี่ยโมหะก็เลยโกหูหนักพวกวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นคนที่สอนยากจุด พวกลังเลในชีวิตนต่สอนยากมากต้องแก้ด้วยให้ข้อมูลให้ปัญญาจนรู้รู้เสร็จมันอยากกลับไปมืดยังเก่าอีกใช่ไหมล่ะเพราะมันอยู่กับความมืดเพราะมันอยู่กับแสงสว่างตกใจเลยโ <c oughs> ม oh หะนี่เหมือนกับเอาภาชนะใส่น้ําแล้วน้ําก็ขุ่นมัวมีตมด้วยเอาวางไว้ในที่มืดอีกเองคนตาดีก็ไปเช้งโงกมองไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริง ลักษณะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่านิวรณ์เนี่ยเป็นอุปกิเล์ของจิตกางมาฉันทาพยาบาททีนะมิทาอุทัยจักกุกุเจวิจิกิชาท่านบอกว่าจิตที่มีนิวรณ์กุ้มรุมเหมือนทองที่มันปนเปื้อนนีปนเปื้อนปนเปื้อนด้วยละ่ะเหล็กโลหะดีบุกตะกัวเงินเหล็กโลหะดีบุกตะกัวแลยเงินแล้วก็ทองใช่ไหมมันผสมกันอยู่ ถามว่าเราจะเอาไอ้ทองที่มีส่วนผสมทั้งเหล็กทั้งดีบุกทั้งตะกวทั้งเงินเนี่ยทั้งโลหะเนี่ยเอามาทำต่างหูมาทำสร้อยทำแหวนทำาลกกาทำไม่ได้ไม่สุกไม่ปลั่งไม่เหมาะแก่การเอาไปใช้งานแม้ฉันใดจิตที่มีการมาฉันทะพยาบาทีน้มิทอุทธจักกุกุจกกุ้มรุมอยู่อย่างทุกวันนี้จึงไม่เหมาะแก่การเอาไปเจริญวิปัสสนาญาณ จึงต้องอะไรขจัดออกก่อนเวลาเขาจะไปสกัดทองที่บ้านฉันเล่าบ่อยที่บ้านนั้นมันอยู่ใกล้ๆโรงงานที่โรงทองไอทองนะเขาทำทองเขาก็จะสกัดทองมาเป็ น, ปนตันๆนะนันในนั้นน่มันมีอะไรบ้างอะ่ะมีทั้งเหล็กมีทั้งโลหะมีทั้งดีบุกตะกัวเงินแล้วก็มีทองผสมกันอยู่ เขาไม่สามารถเอาออกจากกันได้แต่ว่ามันมัมนเป็นก้อนทึบมาแล้วเขาสกัดเป็นก้อนแล้วเขาเอาก้อนนี้ไปที่สิงคโปร์ไปเข้าโรงงานก็สกัดเอาเหล็กออกเอาโลหะออกเอาดีบุกเอาตะ ก, กั่วเอาเงินออกให้เหลือแต่ทองล้วนๆ น, นี่ได้ทองมาแล้วพอสกัดมาแล้วได้ทองล้วนๆเบเสร็จปุ๊บเขาเอานี้แหละเอามาทําเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นนาฬิกาเป็นต่างหูเป็นเครื่องประดับเป็นเพชรจริงๆมันจริงเหมะทีนี้เหมือนกัน จิตของเรา okay. ถ้าทำพุทิยาก็อุปมาแบบนี้สมัยก่อนก็คือถ้าถ้ามีไอ้วัตถุทั้งเหล็กทั้งโลหะ ด, ดีบุกตะกัวเงินและทองเนี่ยใช้เบ้าหลอมสูบสูบไฟเข้าไปเผาฟุบฟๆ ฟ, ฟ, ฟสกัดออกนี่เหมือนกันเวลาเราจเจริญสมาธิานาปนาเป็นต้นหรือว่าพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยก็คือสกัดอะไรออก กามาฉันทะพยาบาทถีนะ้มิถะอุเทจากุกุจาวิจิกิช้าออกถ้ายังไม่ได้สมาธิตาบใดมันสกัดตัวนี้ไม่ออกถ้าสมาธิตั้งมัน่นปุ๊บจิตสะอาดเอีย็บอ่องบองแพลีวจิตที่ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะ8ประการหนึ่งที่ได้กล่าวนี่แหละแสดสมาธิมันได้แล้วทีนี้เมื่อได้ได้คุณลักษณะทั้ง8ปประการแล้วที่บอกว่าจิตที่เหมาะ จิตที่ตั้งมั่นจิตที่บริสุทธิ์นะจิตที่ที่ขจัดมนทินเป็นต้นได้ไม่หวั่นไหวเหมาะแก่การไปใช้งานเป็นต้นเนี่ยจิตที่สะอาดเอี่ยมออกผ่องแผ้วได้จิตอย่างนี้มาแล้วที่ไม่มีนิวรน์กุ้มลุมแล้วใช้จิตเหล่านี้แหละน้อมไปในการที่จะเดินปัญญาแล้วก็จะสามารถไปเห็นแยกแยะตามความเป็นจริงแล้วก็จะชำแระ ก, กิลเลสจนสามารถ เป็นอริยะได้จากผู้ดุชนเป็นอริยะได้พอจะเข้าใจไหมแต่เนี้ยนี่เป็นแปลลักษณะอย่างนี้อันนี้เป็นปร ะ, ประโยชน์แต่จริงๆแล้วถ้าเราได้คุณลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิอย่างนี้แล้วเนี่ยประโยชน์ประโยชน์เยอะประโยชน์ของสมาธิมีมากนะนั้นประโยชน์ของการเจริญสมาธิจริงๆก็เพื่อปัญญาเนี่ยที่บอกว่าสมาธิเพื่อจุดหมายการรู้เห็นตามความเป็นจริง ที่ดัมีญาฐาภพุทยานนะัทธนาทัศนเป็นจุดหมายอย่างนี้เป็นต้นประโยชน์ที่เป็นจุดหมายหรืออุดมคติทางพุทธศาสนาก็เป็นความมุ่งหมายแท้จริงของสมาธิก็คือว่าเป็นส่วนสำคัญประโยชน์ก็คือว่าต้องการกระจัดกิเลสและกองทุกเมื่อได้สมาธิแล้วเนี่ยนี่จะง่ายแล้วต่การไปเดินวิปัสสนาอย่างประโยชน์ตรงแท้อย่างี้เป็นไปในลักษณะนี้เรียกว่า เป็นบาตรแห่งการเจริญวิปัสนาทำให้เกิดยะถาภูดายานัศนะซึ่งนำไปสู่วิชาคืออริยมรรควิมุตติก็คืออริยผลในที่สุดประโยชน์ที่ลองลงมาก็คือถือเอาเป็นจุดไม่ได้ถือเอาจะเป็นจุดหมายที่แท้จริงก็คือการบรรลุภาวะที่จิตเนี่ยพ้นจากกิเลส ช, ชั่วคราวเรียกว่าเจโตวิมุตตบ้างประเภทเด็ดขาดหรือไม่เด็ดขาดเนี้กรณีแบบนี้ ประโยชน์ในการสร้างความสามารถพิเศษเมื่อได้สมาธิไปแล้วอ่ะแล้วก็เดินวิปัสสนาญาณได้แล้วก็เอาไปสร้างความสามารถพิเศษก็เรียกอภิญญาอันนี้ก็มีอันนั้นไม่ใช่เป็นจุดหมายหลักแต่ถ้าหากจุดหมายที่รองไปกว่า น, นี้ก็คือว่าได้สุขภาพจิตแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพเช่นทําให้เป็นคนมีจิตใจมีบุคลิกภาพเข้มแข็งหนักแน่น มั่นคงสงบเยือกเย็นสุภาพนิ่มนวลสดชื่นผ่องใสกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋าเบิกบานเงี้ยอันนี้นุ่มนวลสดชื่นเงี้ยเนี่ยสง่ามีเมตตากรุณารู้จักตนเองรู้จักผู้อื่นก็คือว่าซึ่งมันตรงกันข้ามถ้าไม่ได้ฝึกจิตให้เป็นสมาธิก็จิตก็จะหลงไหลไหลง่ายอ่อนไหวหยาบฉุนเฉียวเ ก, กลี้ยกราดหงุดหงิดวูวามวุน่นวาย สอดแสลูกลี้ลูกรวนงอยเหงาเศร้าซึมมันตรงกันข้ามกับจิตที่เป็นไม่เป็นสมาธิอันเนี้ยเป็นลักษณะที่ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งถ้าในชีวิตประจําวันก็คือคนที่ฝึกในการเจริญสมาธิเจริญปัญญาฟังธรรมก็เป็นคนที่การทางานใดๆก็แล้วแต่เป็นคนมีสติสมัชั์ญาในการดําเนินชีวิตอันนั้นก็เป็นผลพลอยได้แต่ผลหลักจริงๆจุดหมายหลักจริ ง, ร ง, ร ง, ง, รงก็จัะกีนแต่ละกองทุกพราอจะเจาะประเด็นได้อย่างเดี๋ยนี้มีใครอยากถามอะไรไหม อ๋อคืออย่างนี้คนที่เจริญสมาธิแล้วติดในสมาธิชอบในสมาธิไอสมาธิเนี่ยไม่ใช่ทำให้เป็นคนขี้โกรธแต่ตั้นหาที่ไปยินดีในความสงบเลยไม่ชอบความฟาุ้งซ่านเลยไม่ชอบความวุ่นวายคนบางคนเนี่ยเมื่อได้ความได้สมาธิแล้วก็ไปหลบในการทำสมาธิแล้วก็ไม่อยากเจอผู้คนพอมาเจอแล้วหงุดหงิดง่าย จะเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าสังคมเบื่อผู้คนอย่างนี้มีคือวางท่าทีทางใจในการเจริญสมาธิผิดไม่เรียก <c oughs> เข้าใจในการเจริญสมาธิพวกรือสีทั้งหลายเป็นแบบนี้คนขี้โกรธ <c oughs> เป็นตอนขณะเข้าสมาธิแต่เวลาออกมาแล้วเนี่ยมันสึกงดหิดกับคนทั่วๆไปวุ่งุ่งวุ่นวายอะอะไรกันก็ไม่รู้ คือมันมองคนอื่นแล้วมันวุ่นไวายไปหมดอะไรไม่รู้ทําอะไรกันมั่วหมดเลยเดี๋ยวก็เดินนู่นเดินนี้ทำํนนทำนู่นทํานี้ตนเองชอบสงบมันตรงกันข้ามกับบุคลิกภาพตัวเองพอออกมาแล้วตัณหามียินดีทิฏฐิไปยินดีกับความที่ตนเองมีบุคลิกภาพอย่างนี้มีความสงบอย่างนี้มีความเยือกเย็นอย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้เมื่อใครไม่ได้เป็นอย่างตนเองโกรธหมดไม่สนใจอันนี้จริงๆรตัวเองก็ยังไม่ได้สมาบัติไม่ได้อะไรแต่ตเพียงมันชอบความสงบ ชอบวิเวกชอบป่าไม้ชอบสงบชอบอยู่กันนกกันหนูกับแมวก็อะไรก็ว่าไปแต่ว่าเจอคนนี่อะไรเครียดกินหรือพวกนี้พูดมาก <c oughs> เคยเป็นไหแล้วไม่ชอบอยากหลบหลบหลบลบอะไไปพวกนี้วุ่นวายอะไรก็ไม่รู้วันวนคุยกันอยู่ น, น, งง น, นั่นแหละเงี้ยเงียบบ้างก็เลยถือทฤษฎีบอกว่าปิดวาจาเวลาไปปฏิบัติก็ใช้ทฤษฎีการปิดวาจาเขาเรียกมูขวัต เข้าใจคำว่ า, ม, วา ม, มูขวัตไหมมูฆวัตนี่ก็แปลวัดของคนใบว้วัดวัดของพวกปสัสสตว์เนี่ยพระเจ้าตำหนี่มีอยู่คราวหนึ่งก็คือภิกษุสอ์เนี่ยอยู่ด้วยกันก็เลยวุ่นวายวนัก็สมาทานเยีาพูดกันเลยว่างเพราะออกปภาษาไปเข้าพระเจ้าหวังว่าให้พระเจ้าชมไงพระเจ้าก็ตำหนี่มูฆะบูลุต <c oughs> อย่างนี้เป็นมูขาวาสวัดของคนใบ้ก็สัตว์ได้ละฉานมันก็อยู่กันแบบนี้แหละไมไ่พูดกันพวกเธอเป็นมนุษย์ทำไมไมไ่พูดกันแล้วก็มูขวาดไงพวกเจ้าว่าวัดของคนใบ้วัดของปสัสสตว์ อืมก็ต้องบอกเขาคืออย่างนี้เวลาเนี่ยเวลาจะไปจัดการปฏิบัติเนี่ยเขาต้องให้พูดสัมมาวาจาคืออะไรมิจฉาวาจาคืออะไรสัมมาวาจาต้องเจริญไม่ใช่ไม่พูดเขาให้เจริญก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพื่อเจ้าอ้าวพูดยังไงหนึ่งพูดคำจริง สองพูดคำที่เป็นประโยชน์สามพูดถูกกาสี่พูดด้วยเมตตาพูดด้วยกรุณาหรือพูดด้วยมุทิตาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เธอตั้งหลักอย่างนี้แล้วไปฝึกสัมมาวาจามาไม่ใช่ไปนั่งใบเหมือนปะสสตว์ชัดเจนไหมเขาไม่เจอเลยกันแบบนี้าาก็คือไม่ใช่อยากจะพูดอะไรกันก็พูดไม่ใช่ใช่ไหมทั้งนั้นก็เป็นวิชาวาจาสิ นี้เธอต้องมาเจริญสัมมาวาจาต้องมาเจริญสัมมากรรมันตะต่ต้องมาเจริญสัมมาอาชีวะธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่ควรเจริญไม่ใช่เป็นธรรมะที่ควรปิดกัน้นพวกเธออยู่ด้วยกันต้องพูดกันถ้าไม่พูดกันแล้วมันจะสื่อความหมายอะไรกันได้เลาวเพราะงั้นเธอปัสสตว์เขาอยู่ด้วยกันก็ไม่คุยกันอยู่แล้วเนี่ยพระเว่าอย่างนั้นอันนั้นก็ไปพระเว่าอย่างนี้ การเป็นปฏิบัติที่หมายถึงเราก็ป็นฝึกเราป็นฝึกตนให้เราเลยกับมาอยู่กับสังคมได้ยังไงนะฝึกใช่ไหจนเหมือนใครก็ได้ก็อยู่แล้วเข้าใจจนกระทั่งเหมนข่าวในที่พระอาจารย์พูดนะจะขาวคือเข้าใจเขาจะม่านอกว่าเขาเป็นอย่างไรทำไมท่าน อันนี้ถามหรือว่ามาแสดงความเห็นอ๋อขอเอามาแยกไม่ออกไงเอามาแยกไม่ออกไงตอนนี้ว่ายมถา ม, มหรือยอมแสดงความเห็นใช่ไหมอ๋อนั่นม mm. ันมีมันมีอย่างนี้นะว่ามันมีว่าไอความรู้กับความเห็นยอมว่าเหมือนกันหรือต่างกันใช่ไหมอ่าทีนี้ ความรู้เนี่ยมันเป็นความจริงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นความเห็นเนี่ยมันอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ไอ้ตรงนี้นะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนฉะนั้นเวลาเร า, เราแสดงความเห็นเนี่ยเราก็ต้องก็ต้องรู้ว่านี่เป็นความเห็นนะใช่ไหมทีนี้บางคนมันมีอย่างนีนะ้เอาความรู้ประกอบความคิดเห็นกับเอาความคิดเห็นประกอบความรู้เนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันยังไงโอย <laughs> ไม่ใช่พอพูดให้ปวดหัวแต่พูดให้แยกแยะเพื่อจะได้เข้าใจเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นกับเอาความคิดเห็นประกอบความรู้อย่างไหนควรเป็นอย่างไหนไม่ควรเป็นเดี๋ยวความรู้ประกอบความคิดเห็นเทปคึบ เดี๋ยวถามถามตรงนี้ก่อนว่ า, าข้างนอกกี่องศาอันนี้เป็นความเห็นใช่ไหมเป็นความเห็นเป็นความเห็นอาจจะประมาณนั้นมาถ้ายิ่งบอกว่าแหมเราอยากให้ข้างนอกเันยี่ส้าองศาอันนี้เป็นไปได้ไหมเห็นไหมเป็นไปไม่ไ ด, ไไได้แต่ถ้าบอกอยากให้ห้องนี้ยี่บห้าองศาทำได้ไหม ก็นี่ไงทำอยู่อี่ไงใช่ไหมเออเนี่ยความสาัความเห็นของเราเนี่ยมันความสักความเห็นของเราเนี่ยเรามีศักยภาพไหมที่เราจะทำความความรู้หรือความจริงให้เป็นไปกับความเห็นเราอาศัยศึกษาข้อมูลอย่างไรที่เราจะทำความเห็นให้เป็นความจริงได้เ ง, งี้ยเป็นตน้นที่ประเด็นอย่างนี้ที่พูดตรงนี้คือว่าโยมมาวันนี้มาวัดกลางโยมก็มาที่นี่ปุ๊บ แล้วก็มาเ อ, อทานอาหารกันเบ็ดเสร็จปุ๊บแล้วก็มาฟังธรรมฟังธรรมเบ็เสร็จยมก็กลับพอกลับไปโยมก็พูดใช่ไหมวัดกลางสุดยอดเลยไปอาหารก็อร่อยพระท่านก็ทักทายดีเทศธรรมฟังโอ้เื่นใจว่าไัเนี่ยดีดีดีพวกนี้เนียกรณีอเงี้ยอันนี้อันนี้ก็นนอนนเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นเพราะอะไรเพราะมมาแค่ส่วนนี้ของวัดกลาง แค่ตรงนี้แต่ยมไม่เคยรู้ทุกส่วนของวัดกลางก็ไม่เคยรู้ผ้าทั้งหมดของวัดกลางไม่เคยรู้บริบททั้งหมดของวัดกลางว่าไอ้ส่วนที่เขาไม่ฟังทำก็มีอ่ะไอ้ส่วนที่เขากําลังขัดแย้งกันก็มีอ่ะไอ้ส่วนที่กําลังเอาเป็นเอาตายกันก็มีสมมติเงี้ยถ้ามีอย่างเงี้ยแต่ยมบอกโอ้โดีสุดยอดมากมาที่นี่ได้ฟังทำแล้วประพฤติปฏิบัติทุกคนปฏิบัติเลยเนี่ยเห็นไหมยมรู้ยี่สิบอร์เซ็นแต่เอาความเห็นบวกเข้าไปอีกแปดสิปอร์ซต ลักษณะงนี้เขาเรียกเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นแล้วก็มาพูดความรู้กับความเห็นปนกันหมดเลยจนแยกไม่ออกว่ามันเป็นความจริงกี่เปอร์เซนต์ความเห็นกี่เปอร์เซนต์นี่เป็นต้นก็มองอย่งคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้จริงไปมจริงทีนี้สิ่งที่ควรจะเป็นก็คือเอาความคิดเห็นประกอบความรู้โยมไปที่ไหนมาวัดกลางโยมดูทุกแง่ทุกมุมไปเสร็จปุ๊บ เท่าที่ยอมสามารถจะสื่อสารได้ยอมก็บอกเออเนี่ยที่มานี่นะมาที่วัดนี่มากินอาหารมาเบสเร็จแล้วมาฟางังธรรมโอ้ฟังธรรมเรื่องนู้นเรื่องนี้เลยเบสเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเล่าที่เห็นทั้งหมดถึง 90% อร์ซถ้าเป็นไปได้แล้วก็ติ่งความเห็นสักสิเอซเออเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะนี่ก็เรียกเอาความคิดเห็นประกอบความรู้ใช่ไหมเอาความรู้ บอกความรู้บอกข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ่มความคิดถึงใช่ข้อเป็นความจริงไงเหมือนกันเวลาฉันแสดงทำเนี่ยฉันจะขับเน้นความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ฉันอาจจะเปลี่ยนภาษาบางเท่านั้นเองเปลี่ยนให้มันเป็นภาษาที่ให้เราเข้าใจแต่ความเห็นน้อยความเห็นจะให้เพียงเล็กน้อย เพื่อสรุปว่า น, น่าจะเป็นหรือไม่น่าจะเป็นยังไงงั้นกรณีแบบนี้เอา้าไปถึงประเด็นนิยมถามอายอมมาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้มีความอดทนมีภูมิต้านทานกลับไปสู่โลกข้างนอกและจะได้ทนต่อสถานการณ์และโลกข้างนอกได้มีส่วนถูกไหมมีส่วนมีส่วนถูกนะวิธีคิดอย่างนี้ แต่การมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะหรือมามาหาพระเนี่ยต้องการมาฟังว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเรามีพระพุทธเจ้าเป็นหลักมีพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการดําเนินชีวิตเรามีพระธรรมเป็นหลักดําเนินชีวิตมีพระสงฆ์เป็นหลักเป็นดําเนินชีวิตเออในเรื่องเนี้ยพระรัตนตรัยว่าอย่างไรใช่ไหมแต่ความเห็นของดิฉันมันเป็นอย่างนี้อย่างเนี้ยนะแล้วพระพุทธเจ้าว่าอย่างไง พอพระเจ้าว่าอย่างนี้ปุ๊บพระเจ้าเนี่ยว่าความจริงอยู่แล้วทีนี้ถ้าเรายังไม่เห็นตามความจริงนั้นก็ต้องเชื่อมั่นว่าเออพระพุทธเจ้ารู้ความจริงแต่จะรู้ความจริงเอาความจริงมาบอกแต่เรายังฝึกไม่ถึงเออก็ว่ากันอีกทีใช่ไหมวัตถุประสงค์ก็คือเวลาเราเข้ามาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องการที่จะแปลเปลี่ยนความเห็นของเราออกเพื่อให้เราได้รู้ตามที่พระพุทธเจ้ารู้เราต้องการอยากจะรู้ตามที่ท่านรู้แล้วประกาศไง พระพุเจ้าตัดสุ right? ้อร <ai> like right? <laughs> like right? ิยสัจสี่ใช่ไหมตัดสู้อริยสัจสีคือทุกสมุทัยที่รอดมากแม้ชั้นใดเราก็ปรารถนาจะตัดรู้อริยสัจสี่ตัดสู้ความจริงตามท่านเราไม่ใช่ต้องการตัดสู้ความจริงตามความเห็นของเราเพราะความเห็นของเราเนี่ยมันไม่ดีจริงไงถ้ามันดีจริงเราไม่เป็นโรคปวดหัวกันยนทุกวันนี้หรอกเพราะเราเชื่อความเห็นของเราใช่ไหมสังเกตดูนะเราเชื่อเชื่อความเห็นของตัวเองนะ เช่นเชื่อพ่อไม่เชื่อแม่อะไรก็ว่าไปเถอที่สุดก็คือเชื่อความเห็นของเราและพ่อบอกให้เรียนเราก็เรียนเนี่ยพ่อแม่บอกให้แต่งงานก็แต่งงานเนี่ยให้ทําอะไรเราก็ทําหรือไม่เงี้ยความเห็นเราบอกอะไรเราทําหมดเลยนะแล้วนะทาจนทุกวันเนี้ยแล้วลองคิดดูที่ว่าเรามาจนขนาดนี้แล้วเราคิดว่าการดําเนินชีวิตของเรามันโอเคไหม ใช่หไหมเราจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเพราะเราไม่ไม่รู้ไม่รู้หลักการที่พระเจ้าบอกทีนี้ถ้าเรามารู้คำสอนพระเจ้าไปเสร็จพระพุทธเจ้าบอกว่าให้มองโลกและชีวิตตามที่มันเป็นอย่ามองโลกและชีวิตตามใจที่เราอยากให้มันเป็นมันคนละอย่างกันนะมองโลกและชีวิตต า, ตามตามตามที่มันเป็นก็คือว่ามันเป็นอย่างไรก็มองเนี่ยมันน่อย่างเงี้ยฉันมองยมเนี่ย ยอมเป็นคนนั่งฟังทำยังไงมีบุคลิกภาพยังไงมีสภาพจิตใจยังไงมีทัศนะความเห็นยังไงฉันก็มองตามที่ยอมเป็นเนี่ยยอมแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเน่ยฉันก็มองตามหน้างานเลยนะฉันไม่มีความสึกว่ายอมคนเป็นอย่างนั้นฉันอึดอัดตายไหมเนี่ยฉันอึดอัดโอ้ฉันบอกยอมต้องอย่างนั้นยอมต้องอย่างนี้ยอมต้องนี้ยอมต้องนี้เอฉันฉันจะเป็นยังไงเนี่ยฉันฮะ ฉันก็มองว่าเออยมมีบุคลิกภาพอย่างนี้มีพฤติกรรมแบบนี้มีสภาพจิตใจอย่างนี้มีทัศนคความเห็นอย่างนี้ฉันก็เข้าใจและเข้าใจมากกว่านั้นได้ยิ่งดีว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะไปรับข้อมูลอะไรมาแต่ถ้าฉันปรารถนาอยากจะให้ยอมนะมีทัศนคติมุมมองตรงคําสอนพระเจ้าฉันก็คําสอนพระเจ้าบอกพระเจ้าว่าอย่างนี้ยอมจะว่าอย่างโยมก็เรื่องของยอมใช่ <c oughs> ัม้มก็เรื่องของยมจริงไหมล่ะ ฉันบอก่นี่ครับพุทธิยาบอกแบบเนี้ยอมจะฝืนก็นได้ไม่เอาหรอกพุทธิยาบอกว่าให้ตั้งใช่ไหมให้ตั้งเจเสรจมนงจงใจต้องทานกุศลศีลกุศลนภาวนากุศลให้มีอนุปาทานบาลนิพานเป็นจุดหมายทุกครั้งที่ยอมสละวัตถุทานเนี่ยพุทธิยาบอกว่าให้มีพาะนิพานเป็นจุดหมายให้มีการสิ้นจากกิเลสและกองทุกเป็นจุดหมายยอมบอกไม่ครับฉันไม่คิดอะไรมากขนาดนั้นหรอก เรื่องขยอมแล้วใช่ไหมลนะ่ะแต่ถ้าอย่างนี้ยอมก็เป็นไปนในวะตะเหมือนเนี้ยหมอนวดเนี้ยก็นวดออก็นวดเพื่อให้ท่านได้หายป่วยหายมึนคิดแค่นี้ยก็ถ้าอย่างนี้ไม่ตรงไม่ตรงหลักพุทธบริษัทถ้าพุทธบริษัทบอกว่าอะไรเนี่ยเออเราจะระ ง, งับโรคทางกายกัท่านทําดินน้ำไฟลมในร่างกายท่านให้ได้ดุลยภาพท่านจะได้ไม่ป่วยกายท่านจะได้ไม่ป่วยป่วยนั่นแหละจะได้ระ ง, งับได้บ้าง เมื่อกายไม่ป่วยแล้วท่านจะได้ดําเนินกระแสชีวิตในการดําเนินไปตามศีลสมาธิปัญญาขจัดความป่วยทั้งใจและจะได้เข้าถึงความไม่มีโรคคือพระนิพานความไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็อันเดียวกันเนี่ยถ้าเข้าใจงี้ชัดเลยและด้วยการที่เราเราเราเกื้อกูลให้ท่านไม่มีโรคทางกายและพัฒนาไปสู่ความไม่มีโรคทางจิตทางใจและก็ความเป็นผู้ได้ความไม่มีโรคอย่างยิ่งคือพันิพานคอยเข้าพระเจ้ามีส่วนในการเข้าถึงอนุบาตาบริณิพาณ ของคุณธรรมที่พระเจ้าทรงก้าวถึงได้เถึงได้เงี้ย น, นี้ชัดเขาเรียกแค่ให้ทานหรือรักษาศีลไปหรือเจริญกุศลอะไรเนี้ยมีจุดหมายที่ชัดใช่ไหมอันนี้ตรงมีเงี่ยนะตรงที่พรุทธเจ้าบอกแต่ถ้าเรายังคิดไม่ตร ง, งพรุทธเจ้าก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปกังวลถ้ายอมจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์เฝ้าแผ่นดินอีกก็ไม่ไม่เห็นแปลกเลยจริงไหม <c oughs> เออมันมันจริงจริงไม่จริงเพราะเราก็เป่าแผ่นดินกันมานานเลย เพราะเราเกิดเราเกิดมามากกว่าพระเจ้าองค์ปัจจุบันด้วยเพระพระเจ้าองค์ปัจจุบันท่านที่ผ่านแล้วเรายังยืดมาอีกตั้งสองพันกว่าปีนี่แสดงว่าเรานี้ยสังสารวัตเรายืนยาวกว่าท่านมากใช่ไหมถ้าจะยืนยาวไปอีกสักร้อยองค์ก็ไม่เป็น ไ, ไรเลยฮไม่สมมติสมมุติคือเราไม่อยากก็ได้เหมือนบอกว่าฉันไม่อยากกลับโลก บ, บรุรีไม่อยากกลับโลก บ, บุรีเพราะ สตาร์ทรถปุ๊บขันไปทั้งนี้วิ่งออกรถบุรีเลยแต่จะไม่อยากไปไม่อยากไปแต่จริงๆคือก็ไปรถบุรีจริงไหมมันไม่ใช่อยากหรือไม่อยากมันอยู่รู้หรือไม่รู้แล้วเรามีจุดมุ่งหมายจะไปไหนถ้ารู้แล้วเราจะดําเนินไปทิศจุดหมายไปทางนั้นชัดหรือไม่จริงไหอหลักการเป็นตรงนี้นี่ไม่ใช่บอกว่าโอ้ฉันไม่อยากไปไม่อยากไปฉันไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นเหมือนคนที่ถูกจับเขาไปไปมัด ตอนน้ำมันลงเขาก็ไปมัดไว้มัดไว้แล้วเดี๋ยวน้ํามันจะขึ้นท่วมไอ้นี่ถูกมัดไว้เหลือก็แล่นมานตะโกนไ ม, ก ไ, ไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นไอ้น้ำไม่อยากเป็นเขาจะให้ฉันเป็นกษัตริย์ฉันไม่อยากเป็นที่ไหนได้เจนี้มันจะตายเฮย้ยงั้นเดี๋ยวฉันเป็นแท น, นก็มัดด้ว้ไอ้นี่ก็ขึ้นเรือไปไอ้ตัวนั้นมาแทนน้ำพร้อมตายไม่อยากเป็นไอ้นั้นรอดนิสัยคนไทยเป็นแบบนี้ ที่บอกไม่อยากเป็นเนี่ยโหเป็นกันจีิงจริงไม่อยากเป็นบุญ น, น้ำไม่อยากเป็นบุญ น, น้ำทินพูดคานั้นมีในยะเอยากเป็นนะเนะอยากพ้นทุกไหมยบอกไม่อยากพ้นทุกนี่จริงนะถ้าพูดคำนี้แต่บอกอยากพ้นทุกขางที่ไม่จริงไม่จริงถ้าบอกอยากพ้นทุกเ น, นี่ยถามว่าพ้นทุกในภาษาสนานี้คือกระแสะชีวิตมันหยุดการเวียนว่ายตายเกิด มันหยุดเลยนะไม่สืบต่อแต่ถ้ายังอยากจะมีทุกต่อไปก็คือทํากรรมแล้วกระแสชีวิตสืบต่อไปเรื่อยๆจะเอาอยัางไงเพราะถ้าหากพ้นทุกจริงๆคือหยุดการสืบต่อเลยนะชีวิตนนั่นเขาเรียกนิพพานเอาไหมล่ะต้องมานั่งคุยกันก่อนนะเนี่ยถ้าพูดตรงๆก็คือว่าเจ้าประคุณด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าทําเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าจงอย่ายได้พูดได้เกิดเลยอ่ะ แรงไหมล่ะแรงโอ้โหนี่พานของท่านแรงแล้วเกิดนเอาไหมล่ะบอกโอ้เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะฮะใช่ไหมบอกบดบอกโอ้เต้งั้นเดี๋ยวขอขอยมกลับไปคิดดูก่อน บอกโอ้ไม่เอาเลยรู้สึกนิพพานของท่านหลุนแหลงเินเ <laughs> นี่ยภาษาที่ใช้เนี่ยใช่ไหมนิพพานังปรมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นบรมสุขโอ้โหเรานึกว่ามีตัวผู้เข้าไปสวยความสุขแล้วก็ชื่นช่ำใจอยู่เราคิดงั้นไงแท <laughs> ้จริงกระแสะของนิพพานคือการหยุดกระแสอาการเวียนว่ายใจเกิดเพราะมันหมดเหตุปัจจัยเหมือนเมล็ดพืชเนี่ยเอาไปขั่วแล้ว มันไม่มียางเหนียวแล้วมันหมดเหตุปัใจจัยในการที่จะแตกหน่อแล้วก็สืบพันธุ์ต่อไปแล้วกระแสชีวิตเป็นแบบนั้นใช่ไหมล่ะถ้าเป็นนิพพานยิงต้องเป็นอย่างนั้นกิเลสมันนิพพานก่อนใช่ไหมพระเจ้าเนี่ยกิเลสนิพพานก่อนที่ควงต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วพระองค์ก็เสด็จดําเนินในการ ป, ปรดเวนรนิยสัตว์อีกสี่สิบเก้าปีแล้วไปถึงกุศินารานั่นเ็คือขันธปริทิพานก็หมดหมดการเวียนว่ายตายเกิด ก็เหลือเพียงพระาธาตุเหลืออีกสองพันกว่าปีก็จะบริณิพานก็จะอันตรธานแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรสืบต่ออีกแล้วตอนนี้พระาธาตุยังมีอยู่ก็เป็นองค์แทนสมุทรเจ้าอยู่ใช่ไหมหนึ่งกิเลสนิพานมีแล้วเมื่อสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยกว่าปีนู้นสองขันธ์ทาบริณิพานก็มีแล้วที่กุศินารานี้เหลืออีกสองพันห้าร้อยกว่าปีไปข้างหน้าพระาธาตุก็จะบริณีพานอย่างไรล่ ะ, ะการนิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสามอย่างนี้ เหลืออีกนิพพานเดียวก็จะหมดเขตการาศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยหลักการก็คือพ้นการเวียนว่ายตายเกิดหยุดการสืบต่อเอาไหมยังจะเอาไหมนิพพานแบบเนี้ยเอาไม่เอาบอกเดี๋ยวขอไปปรึกษาลูกก่อน <c oughs> <c oughs> ยอมเอาไม่เอาเอาไห ม, ไหมนิพพานแบบนี้เอาไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไม่เอาจริงเห็นไหมเพราะอะไร อยากจะมาอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาเกิดใหม่ใช่ไหมเอออยากสร้างกุศลนี่ไห็นไหมเนี่ยเขายังไม่ต้องการใช่ไหมไม่ต้องการไม่ต้องการให้กิเลสนิพานอยากให้โลภะมันเจริญขึ้นอยากให้โทสะมันมากขึ้นอยากให้โมหะมันมากขึ้นยังไงแล้วเอา้าไม่ต้องการนิพานก็ต้องการให้กิเลสมันพอกพูนมากขึ้นไงพระท่านิพานมันเชื่อของกิเลสนิพานนะกิเลสนิพานคือกิเลสดับ ไม่เกิดอีกเลยอ่ะเรียกนิพพานราคะโทสะโมหะกิเลสทั้งหลายมันนิพพานก็คือมันหมดจากการที่ประชุมญาณปัญญาประชุมในอริยมรรคก็เลยขจัดทําให้กิเลสคือราคะโทสะโมหะดับนิพพานเลยกระแสชีวิตที่อยู่จึงเป็นกระแสชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดไม่มีกิเลสกุ้มลุมเลยเนี่ยเ น, นี่ยก็เรียกนิพพานกันนี่ได้หนึ่งนิพพานแล้วคืกิเลสเราอยากให้กิเลสนิพพานหรือไม่นิพพาน ฮะอยากให้กิเลสนิพานแต่ไม่อยากให้ขันนิพาน <c oughs> นี่เราเข้าใจแล้วขอนิพานเดียวใช่ไหม <c oughs> ขอกิเลสนี่ขอกิเลสนิพานอย่างเดียว <c oughs> อ๋ออยากจะมาเจริญกุศลใช่ไหมแล้วชาติหน้าจะมาเกิดเป็นอะไรฮะและจริงๆเจริญกุศลทุกวันหรือเปล่านี่ที่อยากจเจริญกุศลเนี่ย จเจริญกุศลได้วันละกี่ ก, กี่หน่วยกี่หน่วยกิจโอ้อย่างนี้ไม่ใช่แล้วมั้งไม่ใช่อยากจเจริญกุศลไม่อยากทำอย่างอื่นด้วยปะเลยอยากจเจริญกุศลอย่างเดียวเลยเลยงั้นไม่มีว่างเว้นเลยใช่ไหมกุศลเกิดต่อเนื่องเลยมั้ไม่มีความขัดเคืองเข้ามาเกิดเลยใช่ไหมความกําหนัดก็ไม่มียินดีเพลิดเพลินก็ไม่มีความโมมาลุ่มหลงก็ไม่มี น้อยเนื้อต่ำใจนิดนก็ไม่มีโอ้โหอเป็นอย่างนั้นนแล้วก็นี่ยังมีความยึดหวงติดอยู่ไหม ย, ยังมีบ้านเป็นของเราอยู่ไหมเออยังมีอยู่ <laughs> <laughs> นั่นแหละไอตัวนี้รวมทั้งหมดเลยนั่นแหละรวมราคาโทรศัพท์มาหาอยู่ในนั้นเสร็จเลย <laughs> <laughs> ยอมพอจะเข้าใจยัง กลัวไหมกลัวนิพพานไหมอย่า ก, กลัวนิพพานคนกลัวนิพพานเหมือนไส้เดือนกินดินทีละน้อยละน้อยกลัวแผ่นดินจะหมดเส้เดือนเขาคิดว่าเขาไม่กล้ากินเยอะเขาก็กินทีละนิดละนิดเขากลัวแผ่นดินจะหมดเหมือนคนบางคนไม่กล้าประพฤติปฏิบัติให้เต็มที่กลัวว่าตนเองจะนิพพานแล้ว อย่าทำตัวเหมือนไส้เดือนเขาจอย่างโอ้ยไม่กล้าไม่กล้าลุยเต็มที่เรากลัวินนิพานะเหมือนไส้เดือนนะกินดินนิดนึงว่าพอก่อนเดี๋ยวดินหมดแล้วเราจะอยู่ยังไงเนี่ยเราจะอยู่ยังไง ยมีอะไรอยากถามไหมหมดแล้วใช่ไหมหมดได้ยังอ๋อ อยู่กับอยู่กับหลานใช่ไหมห อ, อยู่กับหลานเลยอ๋อหลานเขาเป็นคนไม่เชื่อฟังอ๋อถ้าปล่อย้าไป อ, อย่าไปยุ่งับเรื่องเ็าเยอะอ๋อไม่ไม่ไมปล่อยก็เคยเดี๋ยวก็ตาย หรือไม่งั้นก็เราตายอยู่เ อ, อฉันมีเรื่องทีเออเออ่เล่าให้ฟังเรื่องนี้มันอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนจะหยาบยาบนิดนึงนะแต่ว่ามันเรื่องน่าคิดคือโ ย, ยมถวันดัชนีนะแกตายไปแล้วรู้จักใช่ไหมออนั่นแหละแกแกก็พาพวกนัก วาดภาพไปที่อังกฤษแกพาไปบ่อย ล, ล, ลูกศิษย์แกอะไรแกเนไปแกก็ขี้เกียจเข้าไปดูแกก็ปล่อยให้พวกลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปดูแล้วแกก็นั่งอยู่ข้างนอกก็มีตาแกๆ่ๆคนต่างประเทศเนี่ยนั่งคู่แกอยู่นั่งคุยกันสัาากพักนึงก็ต่างคนต่างก็ <c oughs> นั่งเฉยๆกันแต่นั้นก็มีเด็กเด็กอังกฤษนะมันนั่งกินช็อกโกแลตอยู่ <c oughs> กินปุ๊บไปไปแท่งหนึ่งแล้วก็กินแท่งที่สองแท่งที่สามอ ก, กินแท่งที่ที่สามไอ้เจ้นี้ก็ไอ้คนแก่คนนี้ก็ไปบอกไอ้ไอ้หลานไอ้หนูอย่ายไปกินมากไขมันอุดตันอย่าทำให้อ้วนอายุสั้นเซ็กเสืเส่อมมาแล้วก็ว่าไปแ <laughs> ล้วก็ล่าไล่ไล่อไอ้นั้นก็หันมามองหน้าสภาพก็กินต่ออยู่ตาแก่นี่ก็นี้บอกเอ๊ะ มันทำไมบอกไม่เชื่อก็พูดทั้งสองครั้งครั้งที่สามก็พูดเองนั่งกินไปห้าแท่งเขาไปพูดเด็กคนนั้นก็หันมาแล้วบอกว่าบอกปู่ของเขาเนี่ยอายุร้อยกว่าเ <c oughs> ออดตอนนี้บอกอะไร <c oughs> กินช็อกโกแลตเนี่ยอายุร้อยกว่าผม <c oughs> ไม่ใช่หรอกปู่ผมไม่ชอบเสือกเรื่องของคนอื่น <c oughs> <c oughs> เข้าใจไหมเขาบอกเออเมื่อคนบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับชีวิตเขาหรอกเมื่อเขาจะเลือกที่จะเป็นเขาก็ต้องได้รับผลการกระทําในบางทีเนี่ยคําว่าอุเบกขาเนี่ยต้องหัดใช้ให้เป็นบางทีที่เด็กทุกทุกวันนี้เราเลี้ยงลูกเราใช้ได้แค่เมตตากับกรุณนใช่ไหม กับเขาทำดีพอยิน ด, ดีแต่พอถึงขั้นอุเบคาเนี่ยเราไม่เป็นพัฒนาไม่ถึงอุเบคาเนี่ยมันรักษาอะไรรักษาธรรมะรักษาความถูกต้องรักษารักษาธรรมะเมื่อเขาทำชั่วทาไม่ดีเขาก็ต้องรับผลการกระทำเขาอยู่แล้วเมื่อเขาทำดีก็ต้องรับผลการกระทำความดีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เราก็ดูเป็นกรณีศึกษา เขาจะได้รับผลของความสุขผลของความทุกข์จะได้ความสมหวังหรือผิดหวังมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทําของเขาเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวก็ดีถ้าหากว่าถ้าเราไปพยายามบอกเขาก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยยิ่งเขาไม่รับฟังเลยแล้วเออดีเลยสบายเลยนมนะมนุษย์เราจะเกิดเจอกันแค่ มาเจอกันในฐานะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นแม่เป็นปู่ตายายๆก็ชั่วครู่ย่อมเข้าใจเขาว่าชั่วคราวไหยเออเนั่นแหละชั่วคราวบอกว่าสามีชั่วคราวภรรยาชั่วคราวบุตรชั่วคราวพ่อชั่วคราวแม่ชั่วคราวไม่ใช่ถาวรแต่สุจริตกรรมและทุติจิตกรรมเนี่ยไอ้สุดจิตกรรมก็จะตามส่งเสริมกระแสชีวิตในทุกอัตภาพที่เกิด แต่ทุจริตกรรมก็จะตามเบียดเบียนกระแสชีวิตทุกอัตภาพที่เกิดใช่ไหมล่ะอันนี้ถาวรฉะนั้นไอตัวกรรมเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองก็หมายความว่ากุศลกรรมและอกุศลกรรมนั้นน่ยมันจะเป็นทรัพย์ที่ถาวร ม, มันจะเป็นทรัพย์ที่ถาวรหรือญาติเนี่ยคำว่าญาติคําว่าเผ่าพันธุ์เนี่ยคําว่าพ่อแม่ปู่ตาย า, ยายายคําว่าญาติเยญาติที่แท้จริงไง บางทีญาติก no ็มีให้คุณญาติที่ให้โทษญาติชั่วคาวกับญาติที่แท้จริงสุดจิตกรรมทุจริตกรรมกายะทุจริตวจีทุจริตก็จะเป็นญาติที่แท้จริงตามเบียดเบียนกระแสชีวิตทุกอัตภาพที่เกิดที่คุณทําสุจริตกรรมคือกายสุจริติวจีสุตมโนสุจริตที่เราทําก็จะเป็นญาติที่ตามส่งเสริมกระแสชีวิตทุกอัตภาพที่เกิดเนี่ยคือญาติที่แท้จริงเข้าใจไหมล่ะ เขาจะบอกว่านี่ไงเรามีเรามีทรัพย์สมบัติที่แท้จริงก็คือสุจริญกรรมเลยทุจริตกรรมเรามีญาติที่แท้จริงก็คือสุดจริญกรรมเลยทุจริตกรรมมีเผ่าพันธุ์เนี่ยใช่ไหมแล้วก็สุดจริตกรรมเลยทุจริตกรรมเป็นเหตุแห่งสุขและเป็นเหตุแห่งทุกข์และสุดเจริญกรรมและทุจริตกรรมก็เป็นที่พึ่งของสัตว์ด้วยใช่ไหมเป็นที่พึ่งของเหล่าสัตว์ทั้งนั้นด้วย้ถ้าเข้าใจอย่างนี้เสียเนี่ยเราจะได้โอ้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยชั่วคราว เขาจะมาทําดีทําชั่วก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าเป็นเช่นเขาพูดเขาตรงๆเลยนะท่านกับญาติเนี่ยท่าก็บอกอ๋อได้ข่าวว่าหนูทําไม่ดีเลยก็บ่กครับเออไม่เป็นไรหนูอยากทําไม่ดีความไม่ดีมันก็เป็นมันก็อยู่ในใจหนูอยู่แล้วความชั่วทั้งหลายความไม่ดีทั้งหลายทุจริตทั้งหลายมันก็อยู่ในใจหนูแล้วมันก็ฝังแน่นเป็นบุคลิกภาพเป็นพฤติกรรมของหนูอยู่แล้ว เมื่อหนูทําอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆจนเป็นล่องลึกอย่างนี้แล้วน่ะเข้าความเสื่อมลาบเสื่อนยศโดนดินทาประสบความทุกข์มันก็หนูก็เจออยู่แล้วแล้วก็ผิดหวังไปไม่เป็นไรลอกทําไปเหอะถ้าทำไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหนูก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบการกระทําอยู่แล้วแต่ถ้าหนูอยากจะนั่นก็คือหนึ่งคุณภาพจิตของหนูดีหนูก็ได้สิ่งดีๆในจิตใจแล้วก็ฝังล่องเป็นพฤติกรรมที่เป็นสิ่งที่ดีๆแล้วก็ มีราบมียอดสุขสารเสริญสมหวังก็เป็นนั่กหนูก็ต้องได้รับต้องเห็นเป็นไรเลยมันขาดจากกันอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาไปทาผิดไปติดคกุกอย่าไปวิ่งเต้นช่วยแล้วก็บอกอ๋อพราหนูทาชั่วไงหนูก็เลยต้องติดคกุกก็ไม่เป็นไรแล้วความเป็นยายความเป็นหลานความเป็นเหลนก็ยังเป็นอยู่ ก็จะมีเวลาก็จะไปเยี่ยมถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ว่ากันชัดไหมแบบเนี้เออก็บอกแค่นี้แหละเราก็ขวนขวายจเจริญกุศลไปให้เต็มที่เต็มศักยภาพไม่จะเปกาอะไรอวร อ, อะไรกันนักันนะเดี๋ยวเขาตายแล้วแล้วก็คว้าเอาเตริศจดิกรรมกับทุจริตกรรมตามเราไปไปคว้าแบกรับตามไปด้วยได้ไหมบ้านทั้งหลังยอมก็แบกไปไม่ได้ รถก็แบกไปไม่ได้ซับในธนาคารเอาไปไม่ได้สักกสิหลงไม่ได้เลยเสื้อผ้าติดตัวยังไม่ได้เลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออยู่กับตัวเราแท้ๆยังเอาไปไม่ได้เลยมันเป็นกระแสชีวิตสืบต่อไปเท่านั้นเองแต่อกุศลอกุศลมันตามติดเลยนะอากุศลก็ตามเบียดเบียนไปซินี่เป็นแบบนี้เห็นไหมที่เราได้รับเนี่ยความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เนี่ยมันไปเบียดเบียนหลานที่ไหนแล้วมันเบียดเบียนเรานี่แหละ เห็นไหมทั้งสุจลิตทุจลิตทั้งหลายมันไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นมันไม่ได้ไปส่งผลคนอื่นมันส่งผลเรานี่แหละถ้าเขาทําก็ส่งผลเขาอยู่แล้วมันให้ผลตั้งแต่จิตใจแล้วลงลอง่ลองลึกจนเป็นบุคลิกภาพของเขาไปนะเข้านะเข้าก็เป็นเป็นสมบัติติดกระแสชีวิตเข้าไปไม่มีปัญหาอะไรเลยเรื่องตรงเนี้ยพอจะเห็นไหมบางทีก็อาจจะยิ่งหนักก็ได้ <laughs> ก็ใช่ไหมล่ะมันจริงๆแล้วอย่าไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจริงจรงแล้วเนี่ยบอกขนาดไหนเขาก็ทุกใช่ไหมล่ะเพราะมันไม่ใช่ม si ันไม่ใช่จะได้ปัญญาง่ายๆนะมนุษย์เนี่ยบางทีบอกห้ารอบมันไม่รู้เรื่องมันหาว่าใจดํากว่ามันหญิงคนละเรื่องเลยก็มันจะทุกข์ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมหลานมันจะทุกข์เหลนมันจะทุกข์ใครมันจะทุกข์ก็ไม่เป็นไรล้อคิดอย่างงี้ก็ต้องทุกข์อยู่แล้วน้องวิธีคิดให้มันทุกข์นะจะบอก โอ้โหตายแล้วทําไมหลานเราเป็นอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยมันน่าจะเป็นอย่างนู้นทำไมหลานคนอื่นเขาดีหลานเราแย่เหลนคนอื่นดีเหลนเราแย่วิธีคิดแบบเนี้ยคิดไปเรื่อยๆพยายามสั่งสมวิธีคิดนี้เรื่อยเดี๋ยวจะได้เป็นโรคประสาทมันก็มันก็ตรงตัวอยู่แล้วใช่ไหมเวลาคิดเดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็เป็นโรคประสาทนี่นีน่วิธีคิดแบบนี้แต่ทุกทีคิดอ๋อสมควรแล้วที่มันจะเป็นแบบนี้ เพราะมันคิดแบบนี้เพราะไปได้สิ่งแวดล้อมอย่างนี้เพราะได้อัธยาศัยอย่างนี้มันถึงเป็นแบบนี้โอ้เหตุกับผลมันตรงกันโอเคจบเรื่องนี้ไหมมันเรื่องเห็นเรื่องผลนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยก็ก็ตรงนี้ก็พวกเราก็ที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คืออยากอยากให้พวกเราได้หลักในการดำเนินชีวิตนะ จริงๆคั้งก่อนเนี่ยเคยพูดเรื่องสมาธิก็ไว้ฉันก็มาพูดเรื่องสมาธิฉันก็ปลดเปลื้องแล้วฉันไม่เป็นหนี้ใครกันแล้วเนี่ยจะหมดหมดหนี้สิทธิ์กันไปว่าโยมอยากจะฟังเรื่องสมาธิฉันก็พูดเรื่องสมาธิก็ก็น่าจะสรุปประเด็นได้พอสมควรใช่ไหมอืมก็จะเราจะได้โอ้นี่ก็ไปฝึกสมาธิยังไงทำํำยังไงจะได้ทำให้ถูก